ท่านอาจารย์ครับอาจารย์ก็มีข้อสงสัยเรื่องสิกขาบทที่ว่าสามรอยห้าสิบข้อที่ตัดไว้ในเจ็ดพนครนะครับรว่าทําไมถึงตัดไวสาร้อยห้าสิบข้อก็ตรงนั้นไม่ใช่พุทธวจนะไม่ใช่เหรอตรงนั้นไม่ใช่ใช่ไหมครับใช่ในคำภีร์บริวารเล่มแปดคือบทวชนะตรงนั้นนะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่พุทธวจนะเป็นคําพูดของสาวกที่พูดกันไว้ ต้องให้สาวกคนนั้นไปหาพุทธวจนะที่เขาพูดเอาไว้อ่าเพราะเขาพูดมาจากพุทธวจนะถ้าเขาอ้างว่าเขาพูดมาจากพุทธวจนะต้องให้เขาไปหาพุทธวจน ะ, ะเพราะตัวบทวจนะตรงนั้นไม่ใช่พุทธวจนะและ้วสงสัยอยู่แล้วว่าตรงนี้น่าจะไม่ใช่พุทธวจนะแต่ว่าไม่ข้ามพันธ o n ไปใช่เพราะว่าเขาจะมักจะบอกว่าตรงนั้นคือพุทธวจนะแต่มันไม่ใช่เพราะมัน มันไม่ใช่ตั้งแต่ตั้งแต่ทั้งทั้งเล่มแล้วเ<อ>พราะเล่ม ท, ทั้งเล่มเล่มแปดนี่คือไม่ใช่ทั้งหมดใช่เ ล, เล่มนี้ทั้งเล่มเนี่ยเป็นการรวมรวมคำพูดของสาวกที่พูดกัน<อ>ซึ่งอาจจะพูดกันถึงพุทธพจนะ<อ>ก็แสดงว่าต้องมีพุทธพจนะในสุตตันตะอยู่ดี<อ>ใช่ไหมอ่าก็ต้องไปอ้างพุทธพจนะตรงนั้นมาเช่นตัวเองพูดมาตรงเนี้ยตัวเองอ้างจากพระสูตรไหนเพราะคำพูดตรงเนี้ยมันไม่ใช่พุทธพจน์อ่า รถส่วนใหญ่คนที่ใช uh ้ตอนนี้ก็คือยังใช้อัตกรถาอยู่แต่นี้พอมันไปถกกันในอัตกรถามันจะจบไม่ลงนีเราไม่รู้ว่าตรงไหนอัตกรถาพูดผิดแล้วก็ขาดจากพุ้ชาวบ้าง มันก็เลยถกกันพลไปวนมาเลยนะแต่งเลยเลยมาสการพระคุณเจ้าขอไขปัญหาของผมธรรมะผมนิดนึงนะครับผมไปวัดยานวาไปหยิบหนังสือที่เขาแจกฟรีมีวีซีดีอยู่ชื่อว่าหนังสือว่ามหาการ สุขาวดีวายุนสูตรนะปกติผมมันเทรวาดอยู่แล้วหมายถึงว่านับถือทางพัดไตพระพุทธธรรมส่งพอผมเปิดวีซีดูวีซีดีดูก็จะเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งพระอนุนเนี่ยถามกับพระพุท ธ, ทธเจ้าสมณะคนนั้นซึง่งทางจีนเขาเรียกว่าสักยามุนีนะวา่าวันนี้พระเจ้าดูเป่งใสพระ อ, อะไรคำตอบย่อๆก็คือว่าพระองค์ได้ติดต่อกับพระอมิตาพุทธเจ้า ซึ่งผมเอ๊ะนิกายมหายาเนี่ยจริงๆอยู่ในพระสูตรเนี่ยอยู่ในพัะไตปิฎก445เล่มของเราด้วยหรือเปล่านี่คือคำถามนะครับส่วนใหญ่ตรงนั้นเขาจะแต่งขึ้นซะสุดมากนะอ่าเป็นการแต่งขึ้นซึ่งของเราก็ยังมีแต่งขึ้นเลยของเราขนาดบอกว่าเราถือพู้ทั่ชนะเราก็มีคำที่แต่งขึ้นเหมือนกันอย่างเงี้ย ว่าคือสัจธรรมปุณสูตรแล้วก็มหาสุขาวดีสูตรต่างๆส่วนใหญ่ของ ม, มาอาญานี่ส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ในพระไตปกประยชน์ฉบับดั้งเดิมไม่ไม่ได้อยู่ในพุทธวจนะแค่นั้นเองคำถามที่สองเลยแล้วกันนะครับะพระอานนท์จำพระสูตรมากมายก่อนที่จะสังคนาครั้งที่หนึ่งแต่ยังไม่บรรลุพระอาลหัน Uh huh. จำพระสูตรต้องเยอะต้องแย่มีพระธรรมวินยัยพระอภิธรรมต่างๆแต่เหตุใดจึงบรรลุพระอาหารหันต์ชาครับท่านเหตุปัจจัยของท่านเป็นอย่างนั้นซึ่งจะมาอ้างว่าเป็นเพราะจำมากบรรลุช้าไม่ได้ซึ่งพระเจ้าก็พยากรเวลาพระอานนท์เนี่ยจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาตินี้นะ uh huh. เหมาะแล้วที่จะให้เป็นอุปถากนะใช่ไห พอพระเจ้าก็ดูทุกคนเนี่ยเสนอตัวเป็นพระอุปถาบหมดนะภาษาลิกุตก็เสนอตัวเองทุกคนเสนอเองพระนนทนิ่งเงียบน ะ, อ, ะ อ, บอ่าอ่าใช่ไหมพระเจ้ามองแล้วว่าต้องพา น, นนะนะศ ท, ศทน่ะนะปฏิเสธคนอื่นหมดปฏิเสธคนอื่นระยะเวลานาะนไหมครับที่พระอานนท์อุปถาพระพุทธเจ้าแล้วจึงเคยามาบรรลุพะระอรหันต์เนี่ยฮะ ก็มาบรรลุตอนที่สุดท้ายไงถ้าผมจำไม่ผิดก่อนสังคณาพระไตยปิฎกสามเดือนถ้ า, ถา huh. ผมจำนะฮะ huh. แล้วตรงนี้พระเจ้าก็พยากรณ์ไว้กับพระนนเองกล่าวที่พระทายีเนี่ยนะตำหนิพระนนว่าทำไมจะต้องมาสันเสริญพู้เจ้าขนาดนี้ ซึ่งพระนรนก็สรรเสริญผู้เจ้าว่ามีลิธนมากมีนุภาพมากนะแล้วบอกว่าสรรเสริญแค่เนี้ยมันจะได้อะไรผู้เจ้าก็เลยบอกว่าการที่พระนรนพูดแค่เนี้ยนะถ้ายังรัสังโยชน์ไม่ได้เนี่ยนะยังไม่สิ้นราคะเนี่ยจะได้ไปเป็นเทา้าส ก, กัดเทวราชเจ็ดชาติเป็นพระมหาจักรพรรดิเจ็ดชาตินะแต่อนอนท์เนี่ยจะสิ้นอาสวะในชาตินี้นะ ขอคำถามเพิ่มสักข้อแล้วกันนะครับเมื่อคืนผมได้ถามพระท่านว่าถ้าเราคนเราเนี่ยก่อนตายเจ็บป่วยก่อนตายแล้วควรจะลํำลึกอย่างไรถึงจะจิตจะไปได้ดีซึ่งก็ได้คำตอบว่าลํำลึกอนานาปานสตินะครับแล้วอ่าจากศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยส่วนใหญ่จะบรรลุอารหาหันก่อนแล้วจึงค่อยอ ลาพานิพานไปกับบุคคลพวกเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมแล้วลำลึกถึงลมหายใจก่อนที่จะดับชีพะนะฮะมีโอกาสที่จะได้เข้าพานิพานมากไหมครับขณะที่ยังไม่บรรลุอรหรันตแต่ว่าได้ได้ลำลึกถึงอาณาปานสติก่อนที่จะดับชีพพระเจ้าบอกทำให้มากจเจริญให้มากเนี่ยผลที่หวังได้สองอย่างคือพระลาลันหารือพระนาคามี นะอานาปาณสติเนี่ยแล้วถ้าใครตั้งจิตไว้ในกายผลที่หวังได้คืออมะตะนะบิมุตหรือนิพานนะอมะตะเป็นชื่อแทนนิพานเชื่อมั่นในธรรมะพระตถาคตเมื่อลหรเชื่อมั่นก็เดินตามนั้นนะอ่าเราก็ดูหลักการสี่ผู้เจ้าอธิบายเนี่ยจิตมันบนอยู่ในสีาท่าพระองค์ให้มาเกาะ อ, อยู่กับกายที่เดียวทิ้งอารมณ์อีกสามอันที่เหลือ ทิ้งเวทนาสัญญาสังขารทิ้งสามตัวนี้ให้จิตเกาะกับรูป <c oughs> การเกิดในสามธาตุนี้จะไม่มีที่สุดจะเหลือพบเดียวที่จิตเข้าไปเกาะนะเมื่อรูปเนี่ยแตกทําลายวิญญาณจะหาที่ตั้งอาศัยไม่ได้พอรูปแตกทําลายวิญญาณจะไปเกาะนามธรรมโยมทิ้งมาชํานาญตลอดทั้งชีวิตแล้วมันจะไปสร้างการเกิดยังไงวิญญาณก็จะหลุดพ้นไปเพราะไม่สามารถสร้างรูปนามขึ้นมาได้ พะุทจอธิบายลำดับขั้นนี้ด้วยพระองค์เองนะครับขอบขอนนะุญาคำถามหนึ่งเลยเลยกันนะครับ huh. ร้านอาหารที่ติดว่าขาย ป, เปูเป็นๆกุ้งเป็นๆซึ่งก็หมายถึงรสชาติอร่อย <c oughs> แล้วก็ร้านอาหารที่เอาเนื้อมาจากตลาดสดมาทำร้านอาหาร ถามในฐานะของผู้เป็นเจ้าของร้านสมมติว่าผมเป็นเจ้าของร้านการเอาปูกุ้งสดๆเป็นๆมาทำอาหารกับเจ้าของร้านซึ่งขายข้าวผัดกระเพราไก่ก็คือเอาไก่จากร้านอาหารมาม า, าลงาตลาดสดมาทำอาหารทั้งคู่นี้บาปาปาบาปปาธิติบาด้วยกันหรือเปล่าครับโยมก็ไปพิจารณาในหลักเกณฑ์ที่พระศาสดาบอกว่า ถ้าเธอไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้รังเกียตว่าเขาฆ่าเพื่อเรานะก็ฉันได้ตานได้ถ้าได้เห็นได้ยินได้รังเกียว่าเขาฆ่าเพื่อเราก็ไม่ควรฉันถ้าพลาฉันก็ปราบประปัดทุกกฎนะโยมเห็นไหมล่ะเขาตายมันตายมาเพื่อเราโยมไปชี้เอาตัวเนี้ยที่กําลัง่ายอยู่ใช่ไหมแล้วถ้ายมทำอาชีพนั้นโยมก็ตลาดโยมค้าชีวิตนะค้าชีวิตสัตว์ซึ่งเป็นอาชีพที่ผู้เจ้าเนี่ย ให้หลีกเลี่ยงไม่ควรทําแล้ดว่าร้านอาหารทั่วไปที่เอามาจากตลาดสด <c oughs> ก็ถ้าเป็นเนื้อหมูที่แขวนอยู่อย่างนี้ยังไม่น่าจะบาปแต่ถ้าเป็นปลาที่ยังดินดินดินเพื่อที่จะมาซื้อมาเป็นทุนในการทําอาหารอย่างนี้น่าจะบาปถูกต้องไหมครับ <c oughs> ก็กลับไปดูที่ข้อสูตรนั่นแหละนะโยมรังเกียจไหมละ่ะถ้าโยมรังเกียจโยมก็ไม่ควร เข้าไปฐานนะังเกยียดว่าเนี่ยเขาค่ามาเพื่อเราแต่ถ้าไม่ลังเกยียดนะไม่ได้เห็นไม่ได้ยินก็ทานได้ตามปกตินะอ่าแล้วก็การค่าชีวิตเนี่ยก็ไม่ควรนะแล้วในฐานะผู้บริโภคอย่างพวกเราเดินไปแล้วตลาดระยองเนี่ยจะมีอ่ามี ป, เปูเป็นเป็นปลาเป็นเป็นในฐานะเราเป็นผู้บริโภคเดินเราอยาก ทานอาหารแบบนี้เราบาปไหมครับหมายถึงโยมเดินไปไปเจอในฐานะผู้บริโภคเมื่อสักครู่ข้าพเจ้าถามถึงในฐานะเราเป็นเจ้าของร้านอร้านอาหารก็บาบแล้วในฐานะเราเป็นผู้บริโภคเดินไปบอกว่ามากินอาหารทะเลกันอทั้งที่ก็รู้ว่าอาหารทะเลส่วนใหญ่ก็คือต้องถูกค่าถูกนึ่งอย่างนี้เราบาปไหมครับเป็นเนื้อที่ควรฉันไหมล่ะ ไม่น่าฉันเห็นเหูนอยู่เแ็บเป็นๆกันอยู่ได้ยินไหมได้เห็นไหมลังเกียจไหมว่าเขารู้สึกว่าเขาค่าเพื่อเราครับอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราสั่งข้าวผัดกะเพราไก่สั่งอ่หมูทอดกระเทียมลักษณะอย่างนี้จะไม่เหมือนกันใช่ไหมครับไม่เหมือนเพราะว่าเขาค่าทิ้งไว้แล้วนี่อยู่ใช่ไ่าเขาไม่ได้ค่าเฉพาะเจาะจงของเราครับขอบคุณครับนาัสกัด ตาพระอาจารย์ยังมีอีกข้อหนึ่งที่สงสัยครับ uh huh. ว่าอาธิการณ์สมถะเจตเนี่ยทําไมต้องให้สวดครับอาจารย์เพราะว่าก็ไม่มีอาบัติเหมือนกันไม่ใช่หรอครับไม่มีอาบัติแต่เป็นวิธีวิธีแก้แก้ปัญหาแก้ปัญหาอาธิกรณ์เรื่องเราที่เกิดขึ้นซึ่งวิธีแก้ปัญหาตรงนี้เนี่ย <c oughs> วิวาดกันเรื่องหลายวิวาดกับเรื่องวิยัยเพราะในวิไนที่พูดไว้ ต้องมีการถกกัน เ, เมื่อถกกันจะทำยังไงก็ไล่เจ็ดข้อเลยสวามุขวินยัยถ้าไม่มีวิธีแก้ไวเนี่ยลงตัวกันไม่ได้สักทีเลยบังคับให้สวดด้วยอ่าฮะอ่าฮะอ่า <c oughs> แล้วเป็นบทธรรมที่ก็ก็พอดีพอดีกับที่ร้อยห้าสิบข้อพอดีคือปัญหา <c oughs> มันอยู่ตรงที่ว่ า, า, าเขาก็ถามมาว่าจะรู้ได้ยังไงว่า อันไหนคืออยู่ในร้อยห้าสิบข้อหรือเราสมมติเอาหรือว่าใช่ <c oughs> แล้วอันไหนอยู่ในสองร้อยิบเจ็ดเขาก็หยิบเอามาเหมือนกันนะ <c oughs> สมมติว่าเราเอาวินัยมาทั้งหมดนะไม่ต้องรู้ก็ได้อันไหนยมว่าปาราชิก ค, ควรรักษาไหมาเอาง่ายๆทั้งสองฝั่งควรรักษาเอาตั้งไว้สี่ข้อตัวเลขสี่สังคารที่เศษหนักๆสิบสามควรรักษาไหมาทั้งสองฝั่งคิดว่าควรรักษา ตั้งสตัวเลขนี้ไว้ก็ได้แล้วลองเอาหยิบเอาข้ออื่นมาโปะสิขอหยุดตรงนี้ก่อนที่ว่าสังขารทิศนะครับเพราะว่าเขาก็มีอ้างว่าสังขารทิศสองข้อเนี่ยตัดหลังจากที่วัชีบุตรร้อยห้าสิบอยู่เขาก็เรื่อง่อนเรื่องหลังเนี่ยกากเกณฑ์ยากเรื่องพันศาเนี่ยกากเกณฑ์ยากใครเป็นคนชี้ได้ประเมินกันทั้งนั้นนะประเมินเข้าวๆผู้เจ้าไม่ได้ตัดเป๊ะๆว่านี่พันศาเท่านี้เท่านี้นะ ก็ใช้การประเมินกันนะก็ประเมินมาเป็นทอดเป็นทอดอีกอะใช่และสังคารที่เศษทั้งหมดเนี่ยถามว่าเป็นคำผู้เจ้าไหมก็เป็นคำผู้เจ้าใช่มอ่าเพราะ น, นั้นสังคารที่เษควรเอามาเป็นเป็นวินัยที่เป็นเบื้องต้นของปรมัจจันท ร, ร์ไหมทุกคนยอมรับเอาอย่างน้อยสองกลุ่มละกลุ่มปราชิชสี่ข้อกลุ่มสังขารที่เศษสิบสามข้อ เพราะถ้าไม่มีสองกลุ่มนี้พระไม่ถูกไล่ออกไปเนี่ยพระเป็นพระตลอดกาลนะแล้วก็จะไม่มีอาบัติหนักแล้วเพราะที่เหลือปรงได้ด้วยวาจาทั้งหมดใช่ไหมนั้นถึงจะเป็นกี่ตัวเลขก็ตามสองข้อสองกลุ่มนี้เป็นหลักอยู่แล้วที่ทุกคนจะยอมรับเพราะเราคืออ่ะสมมุติไม่รู้ว่าตัวเลขรอยห้าสิ150เป็นอะไรคุณเอาทั้งหมดเลยสอักว่าข้อมามาเรียงกัน อันหนักที่สุดเนี่ยน่าจะมีไหมคือพาราชิก4ลองลงมาสังเกตที่เศษน่าจะมีไหมนะสตัวเลขเนี่ยเป็นกี่ข้อละสิกับ4 17เจ็ใช่ไหมเอาสิข้อแล้วก็ไล่ไล่น้าหนักไปสิใช่แล้วผู้เจ้าตั้งตัวเลขไว้อยู่แล้วว่ารห้าสิบอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะฮะก็บวกยังไงจะได้เท่านี้แหละใช่ไหมให้ตามที่ผู้เจ้าแล้วก็ไล่ไล่น้าหนักไปก็ได้ ไล่น้ำหนักไปก็มีนิสกีปาจิตีมีปาจิตีใช่ไหมอ่าแล้วก็ปาิิสญญะคือปัญหาคือเขาว่าเขาก็ยังคล้องใจว่าอาจจะแปรแปรที่แปรว่าร้อยห้าสิบทวนเนี่ยอาจจะแปรผิดหรือเปล่ า, าถ้าแปรผิดถ้าแปรผิด <c oughs> พระองค์ตัดไว้ว่าร้อยห้าสิบบวกกับส่วนที่เกินทีนี้ไอ้ร้ยห้าสิบตรงเนี้ย อาจจะยังไม่มีสังคารทเสรสองข้อมันอาจจะร้อยห้าสิบแล้วก็เกินไปอีกสองก็บวกกับสังคารเสรอีกสองข้อเข้าไปด้วยอะไรประมาณนี้ครับนะ ห, หรือว่าพออะไรเกินขึ้นมาก็ไปสรวดตรงนั้นด้วยอะไรอย่างซึ่งเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรที่เกินมาอยู่ตรงไหนพระองค์ตัดไว้ตอนไหนช่วงไหนเวลาไหนเพราะไอ้ที่กว่ากว่านี่มันมันเป็นการการแปลของท่านเดียวที่ยกขึ้นมา ใช่ไหมท่านที่เหลือที่ท่านที่แปลมาเนี่ยคือร้อยห้าิท่วนครบพอดีท่า น, นี้ว่าตัวอย่างถ้าเราดูตัวอย่างจากพุทธวจนะเขามักจะบอกว่าสาติกากับมิทังเนี่ยสมาถจากาสาติกาบวกทังบวกอิมังอะไรแต่ละคนนะ่ะประเลียงกันทั้งนั้นนะ่ะแต่บอกไม่เหมือนกันนะ ของพระมาหานายกที่พัฒนบวรก็บอกไม่เหมือนกันท่านท่านประยุทธ์ไม่เหมือนกันก็ประเลียนกันทั้งนั้นนะอาตมาก็มาดูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้ยังไงเราไปหาคำว่ามิทังมิทังเนี่ยมีคำคำนี้ที่พรเจ้าเอามาชนกันเฉยเฉยซึ่งไม่จำเป็นจะต้องสมานนะมีสุญญามิทังก็มีนะมีคำคาที่ ที่สมบูรณ์ของมันแล้วและชนกับคำว่ามิทังเฉยๆมีตัวอย่างที่เป็นพุทธวิชณะมากมายใช่แล้วพจานานนกรมอของเรายุคหลังเนี่ยไม่มีคำแปลคำว่ามิถังแต่พจานานุกรมในสมัยรัชกาลที่5ของหลวงเทพเดลนานุสิตมีการแปลคาว่ามิถังไว้และมีคาแปลว่าสาธิกะไว้ น, นั้นสาธิกมิถัง มีคำแปลของมันสมบูรณ์อยู่แล้วเอามาชนกันเฉยๆเหมือนสุญญมิตรทางเหมือนปฏิจสมิตรทางเหมือนคําว่ามิตรทางหลายๆคําที่ผู้เจ้าตัดเอาไว้ไม่มีใครยกประเด็นนี้ขึ้นมาล่ะใช่ไหมว่าการแปลตรงเนี้แปลโดยพุทธวจนะสิดูลักษณะของการใช้คําของพระศาสดาไม่จําเป็นจะต้องมาสมาตคามาอะไรหลักการสมาตคาเรา ก, เราก็เราก็ทําขึ้นเพราะว่าเดิมเนี่ยตัวเนี้ย แปลจากอักษรขอมใช่ไหมอักษรขอมของรัชกาลที่หนึ่งแล้วเรามาสร้างอักขละสยามขึ้นนะคนสร้างอักขละสยามคนแรกก็คือคนที่ตั้งหลักการสมาธต่างๆใช่มผู้เจ้าไม่ได้สอนหลักการสมาธบาลีตามอักขละสยามนี่ใช่ไหมอ่าพะนั้นอักขละที่เรียนกันอยู่ ก็ก็ดีก็ถูกต้องก็ถูกต้องตามแบบของเราที่เราคิดขึ้นนะ่ะนะเป็นการรักษาไว้ก็ดีอยู่ใช่อ่านั้นเราก็สร้างเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะว่าเรามีภาษาของเราเองอย่างเงี้ยใช่อืมนั้นถ้าอ่าอย่างเนี้ยที่อาจารย์ที่อาา่ศิลปกราจะมีอาจารย์ที่เขาชำนาญด้านภาษาของนะก็ น่าจะลองให้เขาแปลไหมนะว่ า, าพระสูตรตรงนี้ในภาษาขอเนี่ยชัดเจนไหมใช่ไหมแล้วตรงนี้ถ้าไปดูในพระสูตรเนี่ยจะมีการพูดเนี่ยซ้ำกันหลายท่อนคำที่ซ้ำหลายท่อนว่ า, าครั้งแรกเนี่ยซ้ำร้อข้างหลังก็0นี้รวมอยู่ในสิกขา3ตรง150ตรงนี้มีคำสาธิกะนี่ไหมนะซึ่งมันก็คือดยทสิกาปดาศตังพอดี นะแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่เขาบอกเนี่ยตัวสาธิกาของเขาเนี่ยไปติดกับตัวเลขตัวอย่างพั ส, สตรที่เข้ามาแต่สาธิกาของเราไม่ได้ติดกับตัวเลขถูกขั้นด้วยอ่าพิกเวสารพั ส, สตรพันเตนหนึ่งพั ส, สูุนะเพราะนั้นจะใช้หลักการแบบติดกับตัวเลขก็ไม่ใช่นะักนะอ่ามีเงื่อนงำต้องหลายอันนะที่เขาไม่ไดเอามาพิจารณา สติการณวุตติสาธิกาปริสารวนติดกับคําที่ขยายทั้งนั้นใช่มอ่าแต่สิสาธิการอันนี้ไม่ได้ติดไม่ได้ติดกับดิยะทัศสิขาปะดาสตังเขาก็สงสัยว่าถ้าไม่ได้ติดแล้วทําไมแปลเหมือนกันไม่ได้ล่ะครับหรือว่าอืมก็จะใช้หลักการแปลเหมือนกันก็เพราะฉะนั้นหลักการแปลเนี่ย มิทางที่ชนกับคำตรงๆเฉยๆทำไมไม่ใช้ตัวนั้นที่พู้เจ้าเคยใช้ในหลายๆพระสูตรใช่ไหเพราะเราไปใช้ <c oughs> ไปใช้การสมาธนะซึ่งเราเราแต่งขึ้นมาเองใช่ไหเราไม่ได้ใช้ตามแบบพู้เจ้าที่เป็นคำมาชนกันใช่แล้วพระในครั้งรัชกาลที่ห้าส่วนใหญ่จะต้องรู้จักภาษาขอมพระราชกาลที่หนึ่ง คนที่ศึกษาพุทธศาสนาในยุคก่อนจะต้องศึกษาภาษาขอมราชกาลที่หนึ่งให้พระ200กว่าลูกพระไทยแต่ทำไมจานเป็นอักษรขอมใช่ไหมดังนั้นพระไทยในยุคนั้นจานพระไตรปิฎกเป็นอักษรขอมหมดพระในยุคราชกาลที่5ยังพอจะรู้จักอักษรขอมจึงแปลจากอักษรขอมมาเป็นอักขละสยามเปลี่ยนอักขละก่อนจากการเปลี่ยนอักขละมาทยอยแปลเป็นภาษาไทย เสร็จเมื่อปีพศ2 0 0นั้นภาษาไทยเราเนี่ยถูกปรับปรุงมาเรื่อยๆปรับปรุงมาเรื่อยๆตั้งแต่ยุคที่เปลี่ยนอักขระจากขอมาเป็นอักขระสยามอย่างเนี้ยใครเป็นคนทำคนแรกใช่มเนี่ยเราคิดดูถ้าเราเป็นคนทำพจนานุกรมคนแรกเราจะเอาหลักการอะไรคือต้องเอาหลักการว่ า, าศาสดาใช้คำอะไรนะดูในการที่เขาแกะ ไบลานที่อัฟกานิสถานเขาต้องเทียบเคียงกับอักขระอะไรเทียบเคียงกับอักขระอักษรพราหมีภาษาปรกิดในเซาหินโศกนะเทียบเคียงกับอัก ษ, กษรษก น, น, นะษนี้อักษรนี้ในยุคไล่ๆกันว่าตัวกะยึกะยือยอย่างเนี้ยมันควรจะแปลว่าอะไรอย่างเนี้ยจนกระทั่งสามารถแกะมาได้อ่ามันต้องเอาตัวเองเป็นคนเริ่มต้นเลยสิถ้าเราเริ่มต้นทําพจนานุกรมคนแรกเนี่ยเราไม่มีพจนานุกรมเลยเราจะไป หาจากไหนนั่นคือเราต้องคล่องคำพระพุทธเจ้าเช่นมาอย่างนี้นั้นถ้าพระพุทธเจ้าใช้คำ ม, มิตทังชนกับสาธิกาตรงๆก็ <c oughs> ก็ใช้อย่างนั้นเพราะสาธิกานะ่าสำเร็จท้วนมิตทังรักไข่ไม่ตีนะการสำเร็จด้วยร้0ยห0สิบร้อยหสิบก็คือตัวเลขร้อยหสิบธรรมดาตรงนี้ก็คือสำเร็จสำเร็จร้อยห้าสิบเนี่ยทุกึ่งเดือนก็แค่นั้นเองตรงๆน ะ, ะรักไข่ไม่ตีนี่ ทำไมถึงเอามาเกี่ยวข้องด้วยความปลองดองของพิสุะสําเร็จความปลองดองความกลมเกลียวกันความสามัคคีกันนะในลักษณะเนี้นสําเร็จการปลองดองนะด้วยการสวดร้อยห้าสิบข้อทุกกึ่งเดือ น, นะเพราะการลงมือสดก็เพื่ออ่าถ้าสมมุติเราจะชัดเจนอีกทีก็ถ้าใครชนานาญภาษาขอมไปดูต้นฉบับภาถาขอมว่า ภาษาคอมก็แปลยังไงใช่ใช่ใช่จะชัดเจนที่สุดใชจด่จะได้จะได้อาจจะได้ความชัดเจนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะตรงนี้เราก็ได้ความชัดเจนขึ้นมากระดับหนึ่งว่าพระศาสด า, าเนี่ยใช้คําว่ามิทางชนกับคําที่สมบูรณ์อ่าสาธิกะตรงๆนะโดยดูตัวอย่างจากพระสูตรอื่นนะที่เป็นลักษณะของพระสูตรที่เป็นโลกุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาเป็นหลักธรรม ซึ่งก็ไม่ต้องอาศัยการสมาติอย่างที่ที่ใช้กันอยู่อย่างนี้มีมีหลายเงื่อนงามที่นั่นเป็นดับเบิลโบนัสเลยละกันครับขายขบปริศนาหน่อยเวลาเราเป็นคนไทย แล้วฟังพระสวดไม่ว่าพรปฏิธรรมในงานงานศพหรือว่างานขึ้นบ้านใหม่ฟังให้พรพระเป็นเจ็ดตำนานหรือสิบสองตำนานเนี่ย <c oughs> เราฟังแล้วฟังไม่แปลไทยไม่ได้คือฟังพระสวดเป็นบาลีหรือสนันนิษฐ์แต่ละแปลไม่ได้อย่างนี้แปลว่าเราได้บุญแต่เราจะไม่ได้ธรรมะพัฒนาจิตอะไรอย่างนี้ถูกต้องไหมครับเออเจ็ดตำนาน12บํานานพวกนี้ก็แต่งขึ้นใหม่เจ้า คือณวันนี้พระไม่ได้ชัดเจนว่าต้องศึกษาคำศาสดาตัวเองเท่านั้นนะยังมัวไปศึกษาคำคนอื่นที่แต่งขึ้นใหม่อยู่นะนั้นพระศา ส, ะสะดาเนี่ยไปกิจนิมนต์ตามบ้านเนี่ยพระศา ส, ะสะดาทำอะไรนะพระองค์ไปฉันอานุโมทนาแล้วก็แสดงธรรมสามอย่างแค่เนี้ยโยมไม่มีทมพิธีน้ำมนต์มีสายศีลมีตลปัฏมีการสวดอะไรคือให้ทำมะ คนฟังรู้เรื่องไม่ใช่นั่งฟังแล้วไม่รู้เรื่องฟังไปครึ่งชั่วโมงก็นั่งคุยกันไปประนมมือคุยกันเฮฮาแล้วก็จบไม่ได้อะไรต้องเรียกผิดวัตถุประสงค์จากพุทธ<แ>วจนะตั้งแต่ตน้นถูกต้องใช่ตกลงคนที่ไปบ้านไม่รู้เรื่องจริงๆริงไปงานศพก็ไม่รู้เรื่องอไม่รู้เรื่องคนไปงานศพก็ไม่รู้เรื่องแม้กระทั่งวิญญาณผู้ตายก็อาจจะไม่รู้เรื่องด้วย <K ill> ก็อาจจะไม่รู้เรื่อง <K ill> เพราะว่าญาติผู้ตายโมแต่เป็นนั่งคุยกัน มัวแต่เอาใจไปจดจ่อกับ น, น้ำกับแก้วไม่ได้เตรียมจิตอย่างพระศาสดาบอกคือเตรียมจิตให้ปราศจากนิวรณ์การจะแผ่มเมตตาจิตต้องปราศจากนิวรณ์เราไปเตรียมอุปกรณ์ผิดไปเตรียมน้ำเตรียมแก้วผู้เจ้าให้เตรียมจิตของเราจัดไว้กับวาเสถะใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ น, นิสง์ของการเกี่ยวข้องกับสมณะเมื่อสมณะเข้าบ้านเราจะได้นิสงอะไรผู้เจ้าบอกจะได้นิสงห้ายอย่าง 1. การเลื่อมใสในนักบวชผู้มีสินผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดนั่นเป็นไปเพื่อสุคติโลกสวรรค์การลุกลับกลาบไหว้ให้อสนะเป็นไปเพื่อการเกิดในตระกูลสูงการละความตระณีอันเป็นมนทินเป็นไปเพื่อการได้เกรติศกันใหญ่การจำแนกแจกทานตามสติกำลังเป็นไปเพื่อการได้โผคาอันใหญ่การได้ฟังธรรมในนักบวชผู้มีศินผู้เข้าไปสู่บ้านเรือนผู้ใดเป็นไปเพื่อการได้ปัญญาอันใหญ่ตกลงยอมได้ครไบไหม ขาดปัญญาพรอนั่งฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมอ่าก็ต้องนั่งคุยธรรมะอย่างนี้นะแล้วเอาคําพระศาสดาไม่ใช่เอาคําตัวเองนะอ่าแล้วถ้าเปลี่ยนบทสวดจากบาลีสันนิษฐเนี่ยมาเป็นสวดเป็นภาษาไทยออืในงานพิธีศพในงานเข้าบ้านใหม่หรือว่าให้ทอนเป็นภาษาไทยคนฟังรู้เรื่องอย่างนี้จะจะจะมีผลการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไหมครับสําเร็จประโยชน์ในเรื่องของความเข้าใจนะ จะขาดประโยชน์ในเรื่องการทรงจําคําพระศัสดาเอาไว้นั้นอนันดับแรกสวดไม่ได้สวดคําพระพุทธเจ้าอันนี้คือหนึ่งเนื้อไม้ใหม่ที่ทําเป็นริ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกรองศึกกรสับกระส่าละหะถูกตีเข้าไปแล้วใช่ไหมคนทรงจําบทบาลีผิดใช่ไหมเพราะเป็นบาลีที่แต่งขึ้นใหม่อย่างเนี้ยเพราะ น, นั้นต้องทรงจําคำสัสดาก่อนนะแล้วต้องเข้าใจนะพะพุทธเจ้าบอกหลักของการสาธยายธรรม ต้องเป็นคำพระพุทธเจ้าต้องเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นไงใช่ไหมแต่ถ้าโยมทรงจําบาลีที่เป็นพุทธวัชนะได้ก็ต้องการได้ทรงคําศาสดาเอาไว้ให้อยู่นานอย่างเนี้ยอืเวลาสวดก็อาจจะเป็นสวดตั้งเดิมไว้แล้วก็แปลเป็นไทยไปด้วยา จ, จะดีขึ้นใช่ให้รู้เรื่องให้เข้าใจยมท่องสินท่าเนี่ยปานาติปาตาเวลามณนดีถ้าแปลไม่ได้โยมก็ฆ่าสัตว์เหมือนเดิมใช่ไหม ฟังไปเฉยๆอย่างข้อสามเคยเข้าใจผิดกาเมีชาลาแล้วก็มีอภมมาซึ่งความหมายนี่ไม่เหมือนกันเลยอือฮึอ <g discretion> <of my heart> ือฮึเซอ่าอ่าเิญเนี่ย เชานียอมยมได้รับนัสืของท่านไปาอดะเหตอนนี้กยอวยก็รับชู่ก็ต้องท่านจะวันนี้มาก็อยากมากราบอาจารย์ตัวจริงนะอยากจะมาขอในสืบลดีชเลไปศึกษาไปอ่านเนาะอาลีด ได้ได้ได้ได้ยมจำลองนะเดี๋ยวยมจำลองหาหนังสือเล่มเล็กเท่าที่มีทั้งหมดนะเนาะอย่างลรเล่มมันเนาะให้ให้ให้ใหยมก็ไปหน่อยซีดีด้วยนะอ่ายมเขาป่วยต้องอยู่บ้านนะเวลาชีวิตเหลือน้อยแล้วนะอืมอืมได้ได้ไดอ่าอ๋ออ๋ออ๋อ อ่าฮะอ่าฮะอ่าอ่ า, อา ไ, ดได้ได้ได้ได้ได้ตามสบายเลยนะ อ, อยู่กับลมอยู่กับกายเยอะเนออาะนบัษการเรียนถามท่านอาจารย์นะครับอ่าฮะในในครั้งพุทธกาลเนี่ยนะฮะพระพุทธเจ้าได้สอนอุบาสกให้อยู่กับปัจจุบันขณะหรือเปล่า เพราะว่าเท่าที่อ่านดูในพระสูตรต่างๆเนี่ยอุบาสกก็เพียงแต่ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ฝังธรรมแต่ไม่เห็นมีพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ระวังจิตอยู่กับปัจจุบันขณะตลอดวันมีเยอ ะ, ยะเลยเยอะมีไหมฮะอาจารย์การอยู่เป็นสุขในทิฏฐธรรมทิฏฐธรรมแปลว่าปัจจุบันการเจริญชันหนึ่งสองสามสี่เนี่ยเรียกว่าการเจริญวิลธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบัน ซึ่งนี่หมายถึงวิถีของของอุบาสกอุบาสิกานะฮะทําได้หมดนะเยอมอ๋อครับออืว่าอุบาสิกาก็เข้าได้ถ้าที่ดูนางวิสาขาหรือท่านอนาถบิณิกะท่านก็ไม่ได้ไม่ได้เจริญสติอะไรเท่าไหร่ในชีวิตประจำวันใช่ไหมฮะสังเกตดูเวลาที่หลานของท่านเสียชีวิตท่านก็ยังเสียใจร้องไห้เหมือนกับคนธรรมดาทั่วไปกถึงเป็นตัวการแก้ทุกข์นี่เยอม มีเครื่องมือในการแก้ทุกข์แต่โสดาบันไม่ใช่ว่าละขันห้าได้นะครับเปลี่ยนแค่ความเห็นผิดในขันห้าได้ยังมีทุกข์อยู่แต่มีเครื่องมือในการแก้ทุกข์ใช่ไห้เพราะไม่แน่ใจว่าไอการสอนให้อุบาสกเนี่ยะจะเจริญสติทั้งวัน อ, อันนี้มันจะถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าอุบาสกเนี่ยจะต้องทํางานจะต้องอยู่กับสมมุติบัญญยัดเจริญสติของโยมคือทําอะไรโยมถึงบอกว่าไม่ถูกต้องก็อยู่กับ กายเวทนาจิตธรรมอะไรอย่างเงี้ยการสติอธิษฐานการงาน uh huh. ทำไมไม่ได้ล่ะพูุทธเจ้าบอกนี้ก็เป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะ uh huh. แค่ตั้งใจทำงานก็ได้แล้ว uh huh. รู้ตามการเคลื่อนไหวรีบดอาตรมาไปสอนโยมที่ค uh ูโบต้าเขาบอกเวลาเขาเดินจากอาคารหนึ่งไปอีกอาคารหนึ่งเขาก็เดินจงกรมไปเลย uh huh. เดินเอาจิตตั้งอยู่กับกายขณะที่เขานั่งรถตู้ จาก บ, บ้านมาที่โรงงานเขาครึ่งชั่วโมงเขาก็รู้อยู่กับลมหายใจเข้าออกขณะที่เขาทํางานเขาก็ตั้งใจทํางานนะต้องต้องหยิบมาว่าขณะนั้นเนี่ยเร า, เาทําอะไรอยู่เราก็หยิบมาวิธีของผู้เจ้าซึ่งแจกแจงไว้เยอะเอามาขณะที่อุบาสกอุบาสิกากําลังกินข้าวทําไมไม่พิจารณาอาหารเลปติกลสัญญาอาหารเป็นปฏิกลุ่นใช่ไหมทำได้เยอะแยะ ขณะที่กลับไปบ้านอาบน้ําอาบท่าอุจจาะระปัสสาวะทําไมไม่พี่นาความเป็นปฏิกูลของร่างกายทําได้ต้องหลายเวลาเยอะซึ่งทําแม้ชั่วรัดนิ้วมือเดียวผู้เจ้าก็ชมแล้วนะถ้าเธอจเจริญอนาปานสติแม้ชั่วการเพียงรัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทเห็นนะชมแล้วแค่แป๊บเดียวสละเวลาสักหานาทีก็ยังได้ นะถ้าเราฉลาดในมรรควิธีสังสมสุตตา น, นมิมมรรควิธีของพระศาสนาจะรู้ว่าง่ายโยมโยมจเจริญสัมมาสังกปปะก็ได้โยมสามารถทํางานโดยไม่ต้องคิดพยาบาทเบียดเบียนสัมมาสังกปปะคือการทิ้งการพยาบาทเบียดเบียนทําไมเราจะต้องทํางานด้วยการเหยียบแข่งเหยียบขาเหยียบหัวคนนี้ขึ้นไปไม่ต้องไม่ต้องเบียดเบียนใครทํางานด้วยความเมตากันนะ โตไปพร้อมๆกันอย่างนี้ใช่อ่าโลกมันก็มีความสุข ม, มักแบบข้อที่สองเนี่ยโยมเหมาะกับคารวะอาตมาวา่ามันไล่รูปแบบจีนะไม่จําเป็นต้องอยู่วัดไม่จําเป็นต้องแต่งชุดขาวไม่จําเป็นต้องอยู่ในท่าคู่บัลลังก์นั่งตั้งกายตรงนะณนะเวลาใดที่จิตโยมเนี่ยทิ้งความคิดอกุศลเรื่อยๆนั่นแหละโยมปาราบความเพียรแล้วเผากิเลสแล้วนะ ก็ใจน ะ, ะในในชีวิตประจําวันนี้ถ้าอาจารย์ว่าสติอยู่กับอะไรฮะสติจะจะให้อยู่กับอะไรให้อยู่กับกายเยอะอยู่กับกายใช่ไหมใช่ใช่อยู่กับกายก็เป็นการเจริญวิปัสนาใช่ไหมฮะเป็นกายานุปัสนาสติปัฏฐานหรือเป็นกายัคตาสติซึ่งเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสนาทีนี้อุบาสกเนี่ยเวลาทํางานเนี่ยมันใช้แต่สมมุติบัญญัติอมันก็ทิ้งกายเวสนาจิตธรรมไปเพราะ่าใกว้างเพราะว่าสติมันรับอารมณ์ได้ทีละขณะ Uh huh. ในเวลาที่เราทำงานเราก็อยู่กับตัวเลขบ้าง uh huh. อยู่กับเรื่องราวทางโลกบ้างอะไรอ่า huh. uh huh. โอกาสที่จะอยู่กับกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยมันมันคงเป็นได้ยาก uh huh. นะฮะอาจจะมีบางเวลาที่ว่างแล้วก็ตั้งใจจะจะจะยึดอารมณ์มานั้นนะะทิ้งความ ค, าคิดอกุศลก็ได้ การยอมทิ้งความคิดอกุศลก็ได้เลอ <ะ S 2> ทิ้งความคิดอ ก, กุศลก็ทิ้งอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าคนปฏิบัติธรรมก็คงจะไม่ได้ huh. อารมณ์เขาก็คงไม่ได้อยู่กับอกุศลแต่ว่าอยู่กับการงาน <S <S นั่นแหละเป็นมรรควิธีแล้วไงเยะอะทีนะนี้เอ่อถ้าที่อ่านในพระสูตรเนี่ยนะฮะอ่ huh. อุบาสกก็ดีส่วนใหญ่บรรลุธรรมเวลาฟังธรรมใช่ไหมฮะอย่างอุบาสกเนี่ยมาฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมในเวลาที่เขา ฝังธรรมเนี่ยเขาก็ต้องตามเรื่องตามราวไปสัตบุคคลก็ปรากฏขึ้น uh huh. ถูกไหมฮะกายเวทนาจิตธรรมก็จะหายไป uh huh. ท่านสอนท่านสอนเรื่องว่าคนนู้นทำนู้นทานี้ทำนี้ทานู้นผู้นั้นทำอะไรอย่างนั้นแล้วก็บรรลุธรรมขึ้นมาขณะนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ uh huh. ก็แปลว่าในขณะนั้นเนี่ยจิตของเขาก็ไม่ได้ใช้กายเวทนาจิตธรรมเป็น เราต้องไปดูอาการที่ฟังธรรมแล้วบรรลุธรรมสิโยม uh huh. นั่นคือโยมคิดไปเองอะ่ะผู้เจ้าอธิบายวิธีบรรลุธรรมในขณะฟังธรรมเมื่อฟังธรรมแล้วเกิดความเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมัน่นเมื่อจิตตั้งมัน่นทำทั้งหลายย่อมปรากฏเขาย่อมบรรลุธรรมเพราะอาการอย่างนี้นะคิดตรึตรึกในธรรมเนี่ยนะเห็นจริงตามนั้นจิตตั้งมั่นแม้ขณะจิตเดียวก็บรรลุธรรมแล้ว คือจิตตั้งมั่นก็คือเป็นสมาธิใช่ไหมฮะแล้วก็พิจารณาตามไปพิจารณาก่อนก็ได้แล้วก็จิตตั้งมั่นอ่านะหรือจะจิตตั้งมั่นแล้วจะพิจารณาก็ได้อย่างนี้แล้วแต่อารมณ์อารมณ์ขนาดนั้นก็เป็นบัญญัติธรรมอยู่ดีบัญญัติธรรมยังไงล่ะก็มันเป็นความจริงที่เป็นสัตว์บุคคลเป็นสัตว์บุคคลเป็นคนตายเป็นก็อาศัยสัตวบุคคลเนี่ยเพื่อรู้จักสัตว์บุคคล่ยไม่อาศัยตรงนี้จะอาศัยอะไรผู้เจ้าให้พึ่งตนพึ่งธรรมไงใช่ไหม เราจะบรรลุธรรมก็เพื่อมาเรียนรู้เนี่ยสัตบุคคลนี่แหละให้รู้ความเป็นจริงว่าสัต์บุคคลไม่ใช่ตัวเราของเราด้วยการเห็นเกิดการดับเกิดดับไปเรื่อยๆอย่างนีอ้อาศัยตัวนี้แหละพระเจ้าเป็นผู้ที่ฉลาดในการอาศัยกิเลสเนี่ยเพื่อลกิเลสเนี่ยอาศัยขันห้าเนี่ยสติปัญญาก็เป็นสิ่งที่ต้องละทั้งหมดแต่ทาไมเรามาฝึกทาอะไรมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องละ ซึ่งอาชิตาถามผู้เจ้าสติปัญญาดับไหม้ผู้เจ้าบอกดับเอาดับก็เป็นสังคตะสังคตะก็ต้องละเอาละแล้วเราฝึกทําไมอย่างนี้อ่ามันเป็นสิ่งที่เป็นส่วนแห่งวิชาเพราะฉะนั้นกิเลสใดที่ทําแล้วเนี่ยทําให้อวิชาหมดไปวิชาเกิดขึ้นพ่อพูนตรงนั้นได้ก่อนพ่อพูนทําตรงนั้นได้ก่อนผู้เจ้าจูปมาเหมือนคนเอาเท้าล้างเท้านะ นั้นผู้เจ้าเนี่ยหยิบกิเลสมาชำระกิเลสนะในในขณะบรรลุธรรมเนี่ยนะฮะก็ต้องมีมรรคยานเกิดขึ้นใช่ไหมท่าะนอาจารย์เนี่ยในขณะที่บรรลุธรรม <c oughs> ที่เราพูดว่าคนนั้นบรรลุธรรมคนนี้บรรลุธรรมแปลว่าขณะนั้นมรรคยานต้องเกิดขึ้นตัดกิเลสใช่ไหมฮะนิพพิทาวิลาค้าเกิดขึ้นนะเกิดความเบื่อหน่ายนะเกิดการเห็นตามเป็นจริงนะว่า อะไรเป็นอะไรอ๋อทุกอย่างมีการเกิดกันดับไม่เที่ยงแปลเปลี่ยนนะอย่างในห้าสินัยยะที่ตรัสไว้เรื่องพระโสดาบันจากปุตช์ชนขึ้นมาเป็นโสดาบันนะก็ยังไม่ได้พูดเรื่องมัคยานอะไรความรู้ตรงนี้คือความรู้อะไรความรู้ว่าสินห้าเราบริบูรณ์ความรู้ว่าเราไม่หวั่นไหวต่อพระรัตนตรัมัน่นคงความรู้ว่าปุพพานุทิติปลันตานุทิติ เราไม่กังวลแล้วความเห็นอดีตอนาคตความรู้ว่าสายอาการของจิตเนี่ยเราเห็นการเกิดการดับของมันในแต่ละอาการเ <Yeah. S 1> นี่ยนัยยะต่างๆเหล่าเนี้ยก็คือญาณคือความรู้นะมัน mm hmm. นั้นต้องตีกรอบไปด้วยว่าพูดว่ามรรคญาณมรรคญาณมรรคญาณอะไรละ่ะชี้ลงไปเลย<า>สิค้าอะไรอย่างนี้มรรคญาณในนี้หมายถึง เ, เวลาที่เราจะบรรลุธรรมเนี่ยนะฮะ mm hmm. ก็ hmm. ต้องอาศัย อ, อ mm hmm. วิปัสสนาญาณสิบหก มคยานและผลและยาน ใ, ในที่สุดญานสิบหกแต่งขึ้นเอยูแต่งขึ้นที่หลังใช่ไหมใช่ในพระไตรปิฎกมีกล่าวถึงไหมฮะพูดว่าในพระไตรปิฎกไม่ได้ในพุทธวจนะมีตรัดไหมพระศาสดาตรัดไม่ไม่มีเรื่องโซรถยานญานสิบหกไม่มีแล้วแล้วมันปวดขึ้นมาในเทราวาได้อย่างไรไม่รู้ใครแต่งอจับมือใครดมได้ไหมละ่ะแต่ไม่มีในพุทธวจนะอย่างท่านอาจารย์ก็ไม่ยอมรับใช่ไหมฮะ โรถยนนีก็ไม่มีในพุทโทชนะยอมหาพุทโทชนะที่เป็นโซลรญานให้ตมาสิถ้ามีเอาวัสตรมาให้แล้วตมายอมรับแน่นอนทีนี้ทีนี้ถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยคำพูดที่ว่าในการบรรลุธรรมนั้นน่ะพระโสดาบันก็จะต้องเห็นพระนิพพานใช่ไหถึงจะถึงจะชื่อว่าไม่มีพุทโธชนะตรงนี้ไม่มีอีกเหมือนกัน เห็นพระนิพพานใครเป็นคนพูดว่าพระโสดาบันเห็นพระนิพพานเอาองพูดนี่มาจากไหนเอ่อไมันนี้หมายถึงว่าพูดพูดพูดว่าอพระโสดาบันเนี่ยอืท่านจะต้องปฏิบัติวิปัสสนาแน่นอนจนกระทั่งอท่านเห็นท่านเกิดปัญญาใช่ไหมฮะอแล้วก็อมีนิพพานเป็นอารมณ์อืคํานี้เกินละเกินไปแล้วช่ยเกินละก็แสดงว่าในคำพีอภิธรรมเนี่ยเป็นคมภีที่ เช่นอภิธรรมวสาสังกะหะของพานุรุทธาจารย์ที่แต่งไว้เมื่อพอศอก้าร้อยหรือพันหนึ่งเนี่ยอันนี้ใช้ไม่ได้ไม่ไม่ตรงกับพูะเจ้าไงถ้าตรงก็ใช้ได้เย้ถ้าไม่ตรงก็ไม่เอาถ้าถ้าอย่างนั้นแสดงว่าท่านพานุรุทธาจารย์เนี่ยได้เขียนเกินเลยไปจากมุตม่ใช่ซึ่งพูะเจ้าบอกแล้วว่าสาวกอย่าบัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติแต่าเพิ แต่ว่าในประเทศพ ม, ม่าเนี่ยก็นับถือคำภีนี้แล้วก็เรียนกันเป็นตุปเป็นตะทั้งประเทศเข า, าเส่งเกือบเกือบทั้งประเทศก็ก็เรียนกันหรือ ใ, ในในสหรัฐอเมริกาและในยุโรป ก, ก็ก็นับถืออภิธรรมษระสังหาหที่เขาเรียกว่าเป็นบุติสซโคโลยีเนี่ยคือว่าเวลาจะเรียนจิตวิทยาแบบตะวันตกเนี่ยแต่เรียนแนวพุทธเนี่ยเขาก็ มาเรียนอภิธรรมพระเจ้าสังฆะซึ่งในนั้นก็มีอธิบายเรื่องเกี่ยวกับพิถีจิตเรื่องเกี่ยวกับการรับนิพพานเป็นอารมณ์ไม่เห็นเอาคําพระสาจธรรมมาพูดเลยก็กอนนี้ฮะที่ถึงถึงอยากจะเรียนถามท่านอาจารย์ว่าใช่ถ้าอย่างนั้นในสิ่งที่เขาศึกษากันอะไรกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไร้สาระหรือยึดถือไม่ได้ถ้าตามพระสูตรก็เป็นอย่างนั้นคือพระสูตรนี้ที่พระเจ้าบอกว่าให้ศึกษาแต่คําตถาคต เธอจะเป็นบริษัทที่เลิศพวกนั้นก็มีผู้เจ้าให้ชื่อไว้ด้วยว่าเป็นอุ ก, กาจิตวินีตาปริสาโนปฏิปุจฉาวินีตาพวกที่ศึกษาคําที่แต่งใหม่หรือคําสาวกไม่ศึกษาคําตถาคตโดยตรงให้ชื่อไว้ว่าเธอจะเป็นบริษัทที่ไม่เลิศไม่ใช่ว่าไม่มีมีอยู่และบอกไว้ด้วยว่าในการยืดยามนานฝ่ายอนาคตเนี่ยจะมีภิกษุไม่สนใจคําตถาคตคนเนี่ยจะไม่สนใจคํำผู้เจ้าเห็นไหมะจะเริ่มไปสนใจคําที่แต่งใหม่ สุดตังตะเราใดที่คนแต่งใหม่หรือคำสาวกเธอไปเงี่ยวหูลงฟังไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงแต่คำตถาคตเธอไม่เงี่ยวหูลงฟังไม่ตั้งจิตไปจะรู้ทั่วถึงเนี่ยแหละเป็นความอันตรธานของคำของตถาคตผู้เจ้าก็ตัดไปแล้วแล้วทําไมศึกษาคํำผู้เจ้าเสียหายตรงไหนเราเนี่ยต้องมาศึกษาคําศา ส, ะสะดาศา ส, ะสะดาก็ยืนยันไปแล้วไงทีนี้การการที่เราจะศึกษาพุทธวจนะใช่ไหมฮะมมเราก็ต้องยึดถือคัมภีร์ ว่าคำภีไหนเป็นพุทธวจนะใช่ไหมไม่งั้นเราก็จะไม่รู้ว่าคำพีนี้ใช่ได้ไหมจะยึดถื อ, อได้ไหมใช่ใชถูกต้อง ก, ก็เรียนถามอาจารย์ว่าเวลาที่เราศึกษาเราจะยึดถือคำภีเล่มไหนเป็นพุทธวจนะก็ตอนนี้เราดูสายดูคำสอนในปัจจุบันที่ถ่ายทอดกันมาสมมุติครูบาอาจารย์เราเนี่ยครูบาอาจารย์เราเนี่ยมักจะไม่เคยบอกว่าท่านอ่านอะไรมา นะนอกจากวงในหรือใกล้ชิดหรือไปถามท่านให้ท่านอ่านอะไรอย่างหลวงปู่ล่าก็จะบอกอ๋อหลวงปู่มั่นมีบุพสิกขาวันนากับปฏิโมกอยู่สองเล่มที่หัวนอนเราก็ไปดูสิบุพสิกขาวันนาเนี่ยใครเป็นคนของใครอ๋อของสมเด็จมาสัมมาจา้าสมเด็จมาสัมมาจา้าเอามาจากไหนอ๋อเอามาจากบุพสิกขาของอามารโอเกิดอามาโรโอเกิดเอามาจากไหนเอามาจากวิสุทธิมรรควิสุทธิมรรคเอามาจากไหนอ๋อพุทธโคษาจารย์แต่ง ซึ่งมีเกิดก่อนพุทธโกศาจานไหมมีก็คือตัวพระตาบิดกใช่ไหมอ่าพระตาบิดกมีส่วนที่เป็นอะไรบ้างอ๋อมีสองส่วนคือส่วนที่เป็นพุทธวจนะกับส่วนที่แต่งขึ้นอีกที่เขาหยิบพุทธวจนะมาขออธิบายเพิ่มเห่นไหมเราก็ตรีกรอบลงไปในพุทธวจนะที่อยู่ในพระตาบิดกมีสืบสายถ่ายทอดมาอย่างไรของเนี้ยในตู้เนี้ยของมหามงกุฎและในตู้ข้างหลังของมหาจุฬาเอามาจากไหนบอกเอามาจากบาหลีสามลัด บาลีสํารัฐเอามาจากไหนอ๋อเอามาจากไบลานที่รัชกาลที่1นึ่ทำเอาไว้ร่องหนึ่งเอามาจากไหนอ๋อเอามหยิบยืมมาจากประเทศข้างบ้านจากลาวจากรามันลาวรามันประเทศในแถบสุนทภูมิเอามาจากไหนเอามาจากยุคที่พระเจ้าโศกมาลา่าส่งทูตมา9สายแล้วมาถึงดินแดนสุณภูมินะยุคนั้นอยู่พศไหนประมาณ200ปีหลังพระเจ้าปรินิพานพาะนั้นสายการถ่ายทอดจากการทรงจําในครั้งพุทธกาลเนี่ยก็มีที่มาที่ไปทั้งหมด อย่างนี้นะอันนี้ก็แสดงว่าพระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬามหามกุฏก็ใช้ได้ใช่ไหมท่านอาจารย์ใช้ได้ในส่วนที่เป็นพุทธวจนะในส่วนที่เป็นพุทธวจนะหรือส่วนส่วนไหนส่วนพระสูตรส่วนพระพิธรรมหรือส่วนพระวินัยส่วนพระวินัยก็มีทั้งพุทธวจนะและอัตถกถาส่วนสุดตันต่ายี่ผ้าเล่มก็มีทั้งพุทธวจนะและอัตถกถาส่วนอภิธรรมสิบสองเล่มก็ถูกแต่งขึ้นนะ อภิธรรมโดยความหมายพระศาสดาก็คือโพธิปัจจะธรรม37ซึ่งมีในพระสูตรอยู่แล้วที่พระเจ้าตัดไว้เวลาพระองค์ตัดพระองค์จะตัดอภิธรรมอภิวินัยคู่กันนะจะมีอภิธรรมพระสูตรหนึ่งที่ไม่มีอภิวินัยแล้วตรัสธรรมะหมดหนึ่งขึ้นมาคือโพธิปัจจะธรรม37ตัวนั้นนั่นแหละที่เป็นพุทธวจนะที่บอกถึงสติปฐานสี่สมปทาน 4, สี่อิทธิบาสีอินทรีห้าพระห้าโพชฌงเจ็ดริมักมายงแปดเล่าศึกษา พุทธวจนะในหมวดธรรมเหล่านั้นก็ชื่อว่าศึกษาอภิธรรมแค่นั้นเองนะแต่ว่าอาภิธรรมนั่งจัด ก, กำพีท <c oughs> ่านอาจารย์ก็ไม่ถือเป็นพุทธวจนะใช่ไหมครับถ้าแต่งขึ้นก็ไม่ใช่เดี๋วอนะ๋อนี่ยทนี้ในในครั้งพุทธกาลเนี่ยพระนนท่านก็เคยกล่าวไว้ว่าธรรมวินัยที่ท่านศึกษามาเนี่ยท่านก็ศึกษาจากพระาศาสดาแค่สี่พันสองร้ออีกสองพระธรรมขันธ์อีกสองหมืสีพ่พันท่านศึกษาจากพระภิกษุอื่นพระศูนเนี่เอามาจากไหนรู้ไหม มาจากฉบับมหามากุฏแล้วใครพูด <g ül> ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็พระเทระคนท่านแต่งคน <g ül> พูดคือคนที่พูดถึงพระอา น, นุนอีกทีไม่ใช่พระอ น, นุนพูดใช่ใชไหมก็เป็นอัตถกาถาอีกเหมือนกันนี่แต่ว่าพระเทระในสมัยโบราณาท่านยกเคารพแล้วก็ท่านก็เรียนจากคนอื่นด้วยไม่ได้เรียนจากพุทธวจนะอย่างเดียวแล้วผู้เจ้าให้เรียนจากใครอ่ะเรียนจากคําศาสนา ก็ก็อาศัยอสาวกจํากันมาอีกทีแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ได้ฟังจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเราก็ฟังจากพระเถระอีกทีใช่แต่พระเถระต้องตรงตามพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องเวลาไทยจะตัดสินว่าตรงหรือไม่ตรงก็เอาไปตรวจสอบไงพระเจ้าวางหลักมหาประเทศสี่ไว้เรื่องตรวจสอบมันก็ต้องมีตำราที่จะตรวจสอบถูกต้องว่าส่วนไหนจะเอาพระไตรปิฎกเล่มไหนที่ที่ยอมรับเอาพุทธวจนะตรงไหนอีกมุมหนึงคือพุทธวจนะจะไม่ขัดแย้งกัน คำศาสดาจะขัดแย้งกันไม่ได้้ น, นถ้าขัดแย้งกันจะต้องมีตรงไหนจำมาผิดสักอันหนึ่งคราวนี้ในการศึกษาเนี่ยผู้ศึกษาใหม่ผู้บทใหม่เนี่ยจะแยกได้อย่างไรว่าส่วนไหนเป็นพุทธวจนะส่วนไหนไม่ใช่อ๋อตอนแรกเนี่ยเอาที่เขาแกะออกมาก่อนโยมดึงขึ้นมาดูเนี่ยหนึ่งเล่มจะเห็นว่าเขาเขียนว่าพระสูตรและอัตถกถาเขาแยกคร่าวๆไว้อยู่แล้วจากนั้นโยมเนี่ยเสพครบแต่พระสูตร คือคำที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้เท่านั้นก่อนนะาจากนั้นโยมจะเริ่มคล่องคำพระพุทธเจ้าพอยมเริ่มคล่องเริ่มรู้หลักการพูดของผู้เจ้านะแล้วจากนั้นเนี่ยโยมจะเริ่มเริ่มชินสำนวนผู้เจ้าละเริ่มแกะได้ละนะจากนั้นพอเริ่มเจอคำของใครที่เอ๊ะไม่เหมือนไม่ไม่คุ้นลักษณะอย่างนี้โยมจะเริ่มรู้เริ่มเข้าใจ ก็อยู่ที่ต้องเสพคบธรรมพระศาสดาให้มากพุทธวจนะให้มากแสดงว่าเราก็ใช้ตัวผู้ศึกษาเนี่ยเป็นตัวตัดสินใช่ไหมครัว่าอันไหนเป็นพุทธวจนะอันไหนไม่น่าจะใช่ตัวพุทธวจนะตัวเนื้อธรรมไม่ใช่ตัวผู้ศึกษาตัวเนื้อธรรมที่ต้องไม่ขัดแย้งกันเพราะพระุทธเจ้าเนี่ยวางว่าธรรมและวินัยที่พระองค์ตรัสไว้ดีแล้วจะเป็นศาสดาต่อไปอย่างนี้นี่ในการศึกษาเนี่ยถ้าอาจารย์ใช้อัตกถาด้วยหรือเปล่า เพราะว่าพร่อผู้เจ้าบอกไม่ให้ใช้อาตมาก็เคยใช้มาก่อนนะเพราะว่าในการศึกษาพระไตรปิฎกของของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันมันไม่ใช่ง่ายๆอบูรพาจารย์ในแต่โบราณการก็ทราบนะครับการที่ท่านแต่งอัตถกถานีเพราะว่าหวังดีกุลบุตรภายหลังนะนี่แหละไอหวังดีเนี่แล้วมันจะเป็นติดสีใช่ไหมอันนี้อันนี้เป็นความพัฒนาดีของท่านพัฒนาดีทั้งนั้นเลยใช่เดี๋ยวนี้ว่าอืม ถ้าเราไปศึกษาตั้งแต่แรกเนี่ยเราจะเห็นว่าเราอ่านพระไตรปิฎกไม่เข้าใจแต่ถ้าเราเอ่านตตรงนี้ต้องแยกก่อนนะความ<ะ>จริงกับเรื่องไม่จริง<ะ>ผู้เจ้าบอกคำพูดพระองค์เท่านั้นอย่าพูดเรื่องยากกับเรื่องง่ายยากง่ายเนี่ยเดี๋ยวมีวิธีมีวิธีแก้ไขให้นะต้องเอาของจริงกับของไม่จริงออกไปก่อนถ้าอ่านง่ายแต่มันเป็นของปลอมเฮ้ยอย่าเอาอย่าเอาไม่ได้นะอ่า เพราะว่ า, าเพราะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยมันนอกจากจะมีมปัญหาเรื่องอัฏฐะลึกซึ้งแล้วเนี่ยมันยังมีอุปสรรคเรื่องภาษาเข้ามาด้วยไม่ใช่เรื่องยากตรงนั้นอขอขอให้เจาะของจริงก่อนอขอให้ตีกรอบไปตามพระเจ้าคือเดินตามพระเจ้าเลยพระเจ้าบอกเอาแต่คําตถาคตตามพระสูตรที่มีไว้ปั๊บเราเชื่อตรงนี้เลยเดินตามตรงนี้ก่อนจากเดินตามตรงนี้เนี่ยเราจะค่อยๆได้คําตอบไปทีเล็กทีน้อยอาตมาศึกษาห้าเล่มจากพระโอทีแรกเนี่ย เพราะไม่ไม่ไม่ไมไมค่อมีใครศึกษานะเป็นคำพูดเจ้าทั้งหมดที่เป็นงานแปลของท่านพุทธาที่แปลเฉพาะคำพูดเจ้างานร้อยกว่าเล่มของท่านพุทธานั่นก็คือท่านแต่งขึ้นเราก็ไม่เอานะเราเอาเฉพาะคำศาสดาห้าเล่มถามว่าเราจะไปถามใครได้ไม่รู้จะถามใครแต่ปรากฏว่าพออ่านไปอ่านไปหนึ่งมันเหมือนกับการปฏิบัติของเราเราไม่เหมือนใครอ้แต่หนึ่งเป็นประจักษต่างสอง เราเริ่มคุ้นเคยคําศาสดามากขึ้นสามเราเริ่มเชื่อมโยงธรรมะพระศาสดาได้เริ่มเป็นเหมือนอย่างพระุทธเจ้าบอกพึ่งตนและพึ่งธรรมะะเธอจะเป็นบริษัทที่เลิศที่สุดอย่างเนี้ยถ้าทุกคนเนี่ยร้อยคนมุ่งแต่ศึกษาคําศาสดาแล้วมาถกกันเนี่ยมันจะถกกันในคําระพุทธเจ้าจะไม่ถกกันกับคนภายนอกที่มาพูดขึ้นใหม่ไงเข้าใจไหมกับกับถามอาจารย์อีกเรื่องหนึ่งคือ ถ้าอาจารย์เป็นภาะวัดป่าใช่ไหมคอับท่านก็ศึกษาจากท่านหลวงว่อชาหลวงว่อชาท่านก็ไม่ได้ศึกษาธรรมะอะไรลึกซึ้งเรียนธรรมก็ไม่ได้อแล้วก็ท่านก็สอนแต่ปฏิบัติอย่างเดียวแต่ก็มีคนที่ไปปฏิบัติกับท่านแล้วก็อยู่ในป่าแล้วก็กังคืนก็ไม่มีไฟก็เห็นบรรลุธรรมกันมากมายเป็นครูบาอาจารย์สาย หลวงปู่ม่นหลวงปู่ชาอะไรเยอะแยะไปหมดใช่ก็ไม่เห็นท่านจะเรียนพุทธวจนะในพระไตรปิฎกหรือว่าจะต้องมีความรู้มากมายเพราะพื้นฐานนั่นก็จบป .1 บ้างป .4 บ้างนะฮะเพราะงั้นอันนี้ผมก็ก็งงๆนะฮะว่าท่านมาจากสายหลวงพ่อชาอยู่ในวัดป่าเนี่ยนะมาจากฟอ r e s t t เ a d i t i o นเนี่ยนะะแต่ว่าท่านมาศึกษาเหมือนกับ พระสงค์ที่อยู่ที่มหาจุฬาหรือว่าสกเถียงกันอะไรอย่างนงี้นะฮะ<อ>ก็ยั ง, งงงอยู่เหมือนกันว่าอย่างี้ทำไมท่านถึงไม่เหมือนกับพระป่าคนอื่นๆที่อยู่ในป่า <c oughs> อาจาเนี่ยตั้งแต่ปีสองสองเนี่ย <c oughs> ก็อยู่ในกลุ่มของท่านมาตลอดยีสิบกว่าปีน ะ, ะเรารู้เราเข้าใจเรารู้ขีดจำกัดของวัดป่าเราศึกษาหมดหนะนังสือครูอาจารย์และเราก็ถูกสอนมาอย่างนั้นด้วยว่า ไอ้พวกพระปลาลงปาลีเนี่ยไม่ได้เรื่องนะแต่ก่อนในพระตาบิโดกใครมาพูดนะอาตมาด่าหมดอ่ะไอ้พวกนี้หนอนหนังสือนะอ่ายาวยาวอย่าไปศึกษาเพราะเราถูกสอนมันอย่างนั้นแล้วเราก็จะพูดแต่คําครูบาอาจารย์และในที่สุดมันก็จะตันกันนะแต่ละคนที่ปฏิบัติเนี่ยมันเริ่มตันละและที่สุดเนี่ยมันจะเจาะหาใครมันมันตันยังไงก็เห็นบรรลุธรรมกันไปตามๆกันที่บรรลุธรรมเนี่ยเพราะอะไรโยมคําศาสดาคําเดียวเนี่ยก็ได้แล้ว ผู้เจ้าบอกว่าถ้าเธอมีจิตฝังลงไปอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำผลที่หวังได้คือพระละหัน์พรั้นถ้าเขาจับธรรมะผู้เจ้าถูกต้องเป๊ะสักหนึ่งประโยคหนึ่งบทผู้เจ้ายืนยันว่าบรรลุทำได้แน่นอนแต่การถ่ายทอดบอกสอนจะพลัดหลงไปสู่มิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวเราเจอเยอะแยะในกลุ่มวัดป่าของเราได้กันเดี๋ยวนี้วัดป่าเราแต่ก่อนไม่กล้าแจกเครื่องรางของขัง กระมิดกรเมียนแอบๆเดี๋ยวนี้แจกกันเป็นปกติหลวงพ่อชาสั่งไม่ให้ทําน้ํามนต์เดี๋ยวนี้ทํำไหมทำใช่ไหมกติกามารยาทของครูบาอาจารย์ตั้งไว้ยังไม่ทําเลยแล้วบอกตัวเองทําตามครูอาจารย์มันไม่ใช่哟ใช่ไหมมันเริ่มกลายพันธ์ไปเรื่อยๆกลายพันกายกลายแถวอีสานทํามีดหมอห้อยลูกประคำเนี่ยวัดป่าอาตมาเจอมานะพวกเราเองเราก็พูดไม่ออกนะ แถมมีการทําบอกพิธีทำวิธีทําน้ํำมนต์ไว้ในหนังสือสวดมนต์ด้วยนะซึ่งไม่ใช่พุทธวจนะศาสดาห้ามทำด้วยวัดป่าทั้งนั้นนะโยมใช่ไหมกลายไปทีละเล็กทีละน้อยเกรงใจอาจารย์คนนี้ทําอาจารย์คนนี้ทําไม่กล้าพูดใช่ไหมอ่าแล้วเราไปเนี่ยเรานึกว่าอ่าวัดป่าจะเหมือนกันทั้งหมดเอ้าไม่เหมือนอีกเอาไหนลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเหมือนกันเราก็ร้อเปอร์เซนต์กหลวงปู่มัน่นใช่ไหมอ่า แล้วก็ <c oughs> เริ่มไม่เหมือนกันไปวัดนี้เอ่อห่มผ้าใกล้พระพุทธรูป6ศอกไม่ได้เอา้าเราก็ขยับมาเอาวัดนี้บอกต้อง12ศอกวัดนี้บอกฮัทบาทสองศอกคืบนี่คืบกำ ม, มือคือบแบมือเอา้ามาอีกนะมาอีกลดลงเหลือ1ศอกกับคืบเอา้าอยู่ในหนังสือวัดปฏิบัติของน้องปรพงษ์คดจากบุพสิขาที่สองศอกกับ1คืบเหลือศอกกับ1คืบ มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆอัตมาก็สงสัยแล้วจริงๆคื อ, อสับสนไหมครัตอนที่อยู่ที่นั่นก็สับสนต้องหาวิธีแก้ไง uh huh. ต้องหาวิธีแก้อัตมาไม่ยอมจานนต่อปัญหานะก็เป็นโชคดีที่มาเจอหเล่มจากพระโอดซึ่งมีคนแนะนําอัตามา ม, มาสี่ปีแล้วอัตามามไม่อ่านให้ไร้สาระนะท่านพุทธาธาชเราไม่ได้ศรัทธาท่านพุทธาธิราชนะเราไม่อ่านของท่านหรอกอ่านทําไมนะแต่พอมาอ่านเออก็เข้าท่างกันเนาะ อ่านไปอ่านมาทีแรกก็อ่านของท่านคู่มือมนุษย์นะสิทธิ์โง่ไปเรียนเส้นฮวงโปูโ๋ไหล่างอะไรแต่อะไรเขาเนี้ยนะค่อยๆตีกรอบมาก่อน <c oughs> พอมาห้าเล่มจากพระโอษฐ์นี่มันคำพูดเจ้าทั้งนั้นเลยนี่วะเราไปแนะนําให้พระป่า ท, ที่วัดอื่นก็บอกอไร้สาระท่านผู้ทานไม่อ่านเขาไม่รู้เด็ดซ้ําว่านั่นคือคาพูดเจ้าเพราะเขากาหัวไปแล้วว่าถ้าท่านผู้ทานเนี่ยไม่ใช่อย่างเงี้ยใช่ไหม เพราะเขามองว่าเป็นพระนักทฤษฎีนะเพอพระวัดป่าเราจะไม่แตะไม่แตะตำรานั่นนี่คือขีดจํากัดว่าพระวัดป่าจะไม่ไม่แตะพระธรรมปิกใช่ไหมอืมจะอ่านแต่หนังสือครูอาจารย์ส่วนพระวัดบ้านนะโยมอ่านพระธรรมปิกแต่ไปอ่านในส่วนอัตถกถาทุกคนจะหลบคํำผู้เจ้าไปหมดเลยเห็นนะอ่านี่มันเป็นอย่างนี้นะอัตมาอยู่มาอัตมาเข้าใจโยมเห็นข้อผิดข้อถูกอะไรต่ออะไร ซึมซับมาทีนี้อวิถีวัดป่าของไทยที่หลวงพ่อชานํามาเนี่ยออฮเราก็นับถือว่าเป็นวิถีทางที่จะขัดเกาเิเรตได้บรรลุธรรมได้หลยไม่ต้อโดยไม่ต้องอ่านพระไตรปิฎกก็ได้หลวงพ่อชาแต่งเองหรือเปล่าหลวงพ่อชางท่านก็ไม่ได้แต่งเองถูกต้องปฏิบัติตามวินัยวินัยของใครบัญญัติศาสดาโยมศาสดาบัญญัติตั้งนั้นหลวงพ่อชาใช้บาตรจีวร ท่านคิดเองปะไม่ใช่พระเจ้าเป็นคนบัญญตัติภิกษุมีบาตเป็นเครื่องบริหารท้องมีจีวรเป็นเครื่องบริหารกายใช่ไหมศาสดาทั้งนั้นโยมเวลามีข้อปัญหาต่างๆเนี่ยแกะจากคำหลวงพ่อชาทั้งหมดได้ไหมไม่ได้เพราะหลวงพ่อชาบัญญัติไว้ไม่หมดไม่ครบคือคือคื อ, คอถ้าเราทําตามที่ท่านอสอนนะ <c oughs> คือ <c oughs> ว่าใช้ชีวิตอยู่ในป่าถือธุปองคเข้าวัดตามที่ท่านสอนพระพุทธเจ้าก็สอนนะ่อนนะ ไม่ใช่ท่านสอนอย่างเดียวผู้เจ้าสอนคืออันนั้นก็ถัดเกากิเลตได้ใช่ไหมฮะถูกต้องแน่นอนรอบกดหลงมันก็ลดลงไปได้บรรลุทําได้ถูกต้องแล้วมานั่งนั่งศึกษาพระไตรปิฎกกันเสียเวลาทําไมไม่อย่างนี้ศึกษาพุทธวจนะกันทาไมต้องใช้เวลาใช้ความยากเย็นตรงที่โยมบอกตรงนั้นก็พุทธวจนะไม่ใช่หรือจริงๆแล้วโยมก็ศึกษาพุทธวจนะแต่ถูกถ่ายทอดโดยหลวงพ่อชาซึ่งหลวงพ่อชาก็มีทั้งแต่งเองแล้วก็มีคําพุทธวจนะถูกต้องมา ถ้าโยมเก็บคําพระพุทธเจ้าโดยตรงก็โชคดีไปทุดงขาววัดหลวงพ่อชาเขาไม่ได้เป็นคนบัญญัติถูกต้องไหมนั่นคือโยมศึกษาพุทธวจะนะอยู่ดีโดยที่โยมไม่รู้ตัวคิดว่าเป็นคําสอนหลวงพ่อชาไม่ใช่หลวงพ่อชาเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าเนี่ยถามเลยพระทุกองเนี่ยเธอเป็นใครถ้ามีคนถามเธอให้เธอตอบว่าเราเป็นสมณะสักยะปุตติยะปุตติยะคือบุตรสมณะในสักยะตระกูลใช่ไหม เราเนี่ยเป็นลูกศิกษย์พระพุทธเจ้าอาจารย์คนเดียวกันคือพระพุทธเจ้าเราไม่มีอาจารย์คนไหนหรอกโยมโยมก็เป็นสัสกยะปุตติยะเป็นบุตรสาวกทั้งหมดเนี่ยเป็นโอรสอันเกิดจากปากของตถาคตคำตถาคตเท่านั้นแหละที่เลิดที่สุดหลวงพ่อชาก็จำคำพพุทธเจ้ากติกาสงฆ์หลวงพ่อชา15้าข้อเนี่ยเอามาจากไหนโยมเอามาจากพระพุทธเจ้าทั้งนั้นะ ห้ามปลุกเสกเลิกยันดูหมอดูเลิกดูยามทำน้ำมนต์มันอยู่ในสินที่บัญญัติก่อนปฏิโมกที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้ใช่ไหมท่านไม่ได้บัญญัติเองอีกเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยคือคือพูดถึง <c oughs> น, นั้นก็ถูกนะฮะแต่ผมหมายถึงว่าวิถีทางอหลวงพ่อชาท่านก็มีวิถีทางที่จะบรรลุธรรมของท่านได้ท่านก็สอนลูกศิษย์ลูกหาทั่วโลกมากมายนะครับก็แสดงว่าวิถีวิถีของหลวงพ่อชาเนี่ยจากคนจบปหนึ่งเนี่ยออื กำจัดกิเลสได้โดยไม่ต้องศึไม่ใช่วิธีทางหลวงพ่อช่ายมวิธีทางพระพุทธเจ้าใช่ฮแต่ว่าหลวงพ่อชาท่านปฏิบัติตามนะฮะถูกต้องต้องปฏิบัติตานทีนี้ถ้าเราอยากจะบรรลุธรรมบ้างเราก็ปฏิบัติตามหลวงพ่อชาถูกต้องถูกไหมฮะใช่ทีนี้ผมก็สงสัยว่าท่านอาจารย์เป็นลูกศิษย์หลวงพ่อชาแต่ทาไมมานั่งเรียนพุทธวจนะมีหนังสือมากมายเลยซึ่งหลวงพ่อชาท่านก็ไม่ได้ไม่ได้มีห้องสมุดใหญ่โตเลยที่ในบางเรื่องที่หลวงพ่อชาพูดไม่หมดนะะ ไม่ทราบหลวงพ่อชาเคยพูดเรื่องทิฏฐิหกสิบสองไหมไม่เคยหลวงพ่อชาเคยพูดรายละเอียดของปฏิจจสุบาท์ไหมไม่เคยแต่จะหาจากไหนท่านก็ไม่ต้องไม่ต้องรู้ก็ได้ท่านก็บรรลุทำได้เราไปรู้ทําไมเยอะแยะทิฏฐิหกสิบสองแล้วเราไม่บรรลุธรรมแต่ว่าท่านหลวงพ่อชาท่านบรรลุธรรมอ่ะมันจะไม่ดีกว่าเลยถ้าเราชอบว่ารู้ธรรมะเพียงบทเดียวแล้วบรรลุธรรมก็ได้แต่ละคนไม่เหมือนกันในโยมพระเจ้าแบ่งอะไรบุคคลเนี่ยสามพวก 1. รู้อริยสัจตอบปัญหาอภิธรรมอภินายไม่ได้ไม่รวยลาบ 2. รู้อริยสัจตอบปัญหาอภิธรรมอภินัยได้ไม่รวยลาบสรู้อริยสัจตอบปัญหาอภิธรรมอภินายได้และรวยลาบด้วยแล้วแต่สไตล์แล้วแต่บุญบารมีโยมอยากมีลูกศิษย์มากขนาดไหนแต่ถ้าบารมีไม่ได้สร้างมาไม่มีเหมือนกันใช่ไหมมหาสาวกในคงอุตการไม่มีลูกศิษย์เลยสักคนก็มีไม่มีบารมีด้านนี้นะ คนไม่แตกฉานในอภิธรรมวิไนก็ไม่มีบา ร, รมีด้านนี้แต่รู้ธรรมะบทเดียวบรรลุทําได้โอเคเรียกว่าพอตัวเพื่อตัวเองไม่ได้พอตัวเพื่อผู้อื่นผู้เจ้าบัญญัติการพอตัวเพื่อผู้อื่นนั้นจะต้องอย่างไรใช่ไหมเป็นผู้มีธรรมชาติแห่งการทรงจําดีมีวาจาไพรวัสละสลวยใช้วาจาที่ชาวเมืองเขาพูดกันอย่างเนี้ยมีคุณสมบัติไว้หมดเรื่องพวกนี้หาได้จากสาวกไหมไม่ได้โย่ต้องหาจากพระพุทธเจ้านั้นถ้าเราต้องการหนึ่งแตกฉานในธรรม 2. ดำรงไว้ซึ่งพระสัทธรรมคำสอนพระาศาสดาซึ่งมันกำลังจะค่อยๆสูญไปสูญไปสาวกมีหน้าที่ทรงจำคำาศาสดาให้มั่นและถ่ายทอดการรุ่นต่อรุ่นสืบไปนี่เป็นความตั้งมั่นในพระสัตยธรรมข้อที่สในสี่ข้อ ห, หมดบทพนชชะตต้องถูกความหมายถูกอธิบายถูกโยมจำคำแต่งใหม่พลาดตั้งแต่ข้อหนึ่งเราต้องจาคาที่เป็นของพระพุทธเจ้าข้อที่สมเนี่ยต้องขยันถ่ายทอดบอกสอน เนื้อความนั้นๆแก่ชนทั้งหลายเพื่อไม่ขาดผู้เป็นมูลรากสืบทอดกันต่อๆไปเห็นนะเรากําลังทำสองข้อนี้ส่วนข้อ2และข้อ4ีภิกษุต้องเป็นผู้ว่าง่ายอดทนยอมรับฟังคําสั่งสอนโดยความรบหนักแน่นอันนั้นเป็นเรื่องของภิกษุและเรื่องของภิกษุข้อที่4ก็คือภิกษุที่เป็นเถรละแล้วต้องไม่เป็นผู้นําในทางสามต้องมุ่งหน้าไปในเกตแห่งวิเวกธรรมปราบความเปี่ยนให้ถึงสิ่งที่ยังไม่ถึงให้บรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุนี่คือสีข้อของความเจริญศาสนา ถามว่าพระเถระคือสิบปีขึ้นไปเป็นผู้นำในทางไม่ดีมีเยอะไหมเยอะเราต้องนำในทางที่ดีในทางที่ถูกต้องผู้เจ้าตรัสอีกว่าภิกษุบวชเข้ามาแล้วใครจะศึกษาหรือไม่ศึกษาก็ตามให้เธอตั้งจิตว่าเธอจักศึกษาอ่าตกลงแล้วเราเชื่อใครดีวันเนี้ยเ <laughs> <laughs> ชื่อผู้เจ้าหรือเชื่อสาวกดีใช่มอาตมาก็ยึดผู้เจ้าเป็นหลักมันเป็นโชคดีที่อาตมาเนี่ยได้อยู่คนเดียว ถ้าตามาไม่ได้มีโอกาสอยู่คนเดียวอตาตมาคงไม่สามารถเดินตามผู้เจ้าได้ร้อยๆอย่างนี้เพราะก็ต้องติดครูอาจารย์และเราก็แหวกแนวไม่ได้นะ่ะไม่กล้าแหวกแนวมันเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้ตามาจะพัดจะผูกกระเด้ง อ, อกมานะ่ะจากวัดแรกอย่างเนี้ยคื อ, อคือคือผม ผมเรียนถามอาจารย์นิดหนึ่งผมเองไม่ค่อยรู้ธรรมะนะฮะ uh huh. ก็เดี๋ยวนี้ก็เข้ามาเว็บไซต์วัดวัดนาป่าพง uh huh. แล้วก็เข้าไปดูอ่านพระไตรปิฎกนะฮะ uh huh. ก็เห็นว่าเป็นพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ uh huh. แล้วท่านก็แนะนําว่าให้ขียคําลงไปในนั้นอ uh huh. uh huh. แล้วก็อ่านในนั้นว่าอยู่ uh huh. ในสัส่วนไหนหน้าอะไรใช่ไหมฮะ uh huh. ก็แสดงว่าวัดนาป่าพงเนี่ยยอมรับพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐว่าเอามาศึกษาได้ S <S เป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธวจนะในส่วนพุทธวจนะนะอในนั้นก็เรียงพระสูตร45เล่มเหมือนกันใช่ก็แสดงว่าท่านก็ก็ยอมรับบว่าชาวบพสยามรัฐเนี่ยเป็นพุทธวจนะใช่ในส่วนพุทธวจนะนะก็คือให้เราให้คนชี้เข้าไปก็แสดงว่าเรายอมรับแล้วว่าในนั้นน่ะคือส่วนของพุทธวจนะมีส่วนพุทธวจนะเพราะว่าโปรแกรมตัวเนี้เราจะ มีโปรแกรมสาหรับเทียบเคียงให้ขึ้นบาลีในหน้าเดียวกันได้ให้คนเนี่ยเรียนบาลีไปด้วยในตัวเสร็จและก็เทียบเคียงกับบาลีขั้งสองสองด้านกันใช่ทีนี้ปัญหาคือว่าในนั้นเป็นพุทธวจนะทั้งหมดหรือไม่ใน่พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐที่ให้เรียนไม่ไม่ใช่เงยเยองไม่ใช่ก็แสดงว่ามีทั้งใช่แล้วไม่ใช่ปนกันถูกต้องทีนี้ผู้เรียนเนี่ยจะแยกได้อย่างไรอ๋อนี่จะเย็นๆกําลังทำคำวิ่งซูน กำลังทําตัวนี้ขึ้นมา33าเล่มกําลังแยกให้ตอนนี้ทีมงานกําลังค่อยๆทําอยู่ในนี้จะแกะออกมาแล้วที่เป็นส่วนพุทธวจนะเหมือนที่ท่านุู้ท้าทําในห้าเล่มจากพระโอษฐ์เนี่ยแต่ท่านผู้ท้าทําเฉพาะอริสัตถ์สปฏิจจสุบาตประวัติของผู้เจ้าและคําตักเตือนสั่งสอนภิกษุแต่เราทําทั้งชีวิตของผู้เจ้า45้าเล่มเลยและในนี้จะมีบาลีไทยคู่กันหน้าต่อหน้าบาลีไทยบาลีไทยทุกหน้า เพื่อให้โยมตรวจสอบความถูกต้องได้ทันทีเวลาอ่านและจะมีแต่คําผู้เจ้านั้นตอนนี้ก็ขุกขิดกันไปก่อนนะค่อยๆแยกแยะนะเราก็เลยหยิบบาลีสยามรัทั้งก้อนใสไปก่อนแต่ชี้ว่าขอให้เลือกนิดนึงนะว่าขอให้เป็นส่วนพุทธวัจนะไงนะใช่ไหมตอนนี้เรากำลังทยอยทำนะาสสามเล่มประมาณนี้นะแล้วเสร็จแล้วจะบรรจุลงไปต่อไปจะหาได้ง่ายขึ้นนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง ทำเสร็จกันที่พวกเราจะสิ้นชีวิตสิ้นชีวิตไยห้ไรมีคนต่อยามีคนต่อยอดเรียนถามท่านอาจารย์อีกคําถามหนึ่งนะฮะคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยากอ่าฮะในหนังสือธรรมะหลายเล่มที่ครูบาอาจารย์เขียนไว้นะฮะไม่ว่าจะเป็นหนังสือพุทธธรรมของท่านเจ้าคุณธรรมปีดก หนังสือปฏิจจสมุปาต์จากพระโอษของท่านพุทธทาสเนี่ยนะฮะการตีความก็ไม่เหมือนกัน อ, อบางท่านก็ว่าไม่มีบางท่านก็อธิบายข้ามภพข้ามชาติต่อบางท่านก็อธิบายว่าอยู่ในชาติปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่พรรษะเวทนามาเรื่อยมันครบวงจรในขณะนั้นอะอยู่ไม่รู้กี่วั น, นกี่ร้อยล้านรอบอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ยากไม่ยาก <c oughs> พุทธวน <c oughs> จะนะเนี่ยที่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าแสดงไว้คืออะไรกันแน่ ข้ามภพข้ามชาติหรือว่าไม่ข้ามภพข้ามชาติหรือว่าอย่างไรกันแน่จริงๆมันทั้งสองอย่างแต่พุทธโคสอาจารย์ไปจัดระเบียบผิดแค่นั้นเองนะคือที่พุทธโคสอาจารย์บอกข้ามภพข้ามชาติก็มีนะเพราะพระพุทธเจ้าพูดทั้งสองอย่างเวลาข้ามภพข้ามชาติเนี่ยคนส่วนใหญ่จะมองในส่วนรูปธปาตุรูปกายตรงเนี้ซึ่งมันคือแค่หนึ่งในขันธ์หน้าแค่นั้นเองด้านรูปกายตัวเดียวใช่ไหม แต่วิญญาณเนี่ยวิญญาณเป็นคนเข้าไปรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งมันสร้างภพตลอดเวลาเลยนะสตัวนี้เป็นภพรูปนามนะที่พระเจ้าอุปมาเปรียบเหมือนผืนนานะและอีกอันนึงเนี่ยผืนนาเปรียบเหมือนกรรมสตัวนี้คือกรรมสตัวนี้คือภพนั้นเวลาเราพูดส่วนใหญ่ชาวพุทธจะไปคิดถึงเรื่องรูปกายอย่างเดียวก็เลยมองว่าร่างกายตายแล้วไปได้กายใหม่เลยข้ามภพข้ามชาติ แต่จริงๆในขณะที่รู ป, ปราธาตุยังตั้งอยู่ขณะเนี้ยนั่งขณะเนี้ยทุกคนก็สร้างภพชาติชลาโมณนะตลอดเวลาเพราะจิตเนี่ยหลุดไปคิดถึงบ้านบ้างคิดถึงงานบ้างคิดถึงคน น, น้นคนนี้นั่นก็คือภพนะผู้เจ้าบอกเธอคิดถึงสิ่งใดดําริดถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังลึกปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเห็นนะเมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะได้แล้วการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีภพมีชาติมีชราโ ม, ามานะมีเห็นนะ เราศึกษาปฏิจจาเนเยโยมโยมจะรู้หลักการผู้เจ้าทั้งหมดเลยโยมจะเข้าใจว่าอ๋อครูบาอาจารย์ท่านนี้พูดถูกในมุมนี้ท่านนี้พูดถูกในมุมนี้เนี่ยแต่และองค์พูดถูกผิดมากน้อยไม่เท่ากันอย่างเนี้ยเราก็จะแยกแยะได้ไงเพราะเรารู้หลักการผู้เจ้าทั้งหมดเป็นเรื่องที่สําคัญมาก ท, าาที่พระเจ้าแตะไปที่พระพุทธเจ้าแสดง <c oughs> ไว้เนี่ยนะฮะ <c oughs> มี ม, มีมีกี่แบบเรียนเรียนถามอาจารย์นิด <c oughs> ในเรื่องอะไรพทธวจนะในเรื่องปฏิจจสมุปาทเนี่ย Uh huh. อย่างถ้าเราไปอ่านหนังสือพุทธธรรมเนี่ยท่านก็บอกว่า uh huh. มีสามแบบอ๋อนั้นท่านพุทธธรรมเนี่ยท่านอธิบายเองโยมก็นี่อะฮะ ก, ก, ก็อยากจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าอธิบายยังไงบ้างกี่แบบอ๋อถ้าโยมอ่านต้องอ่านปฏิจจสุบัทจากพระโอษของท่านพุทธทาสซึ่งไม่ได้มีการอธิบายนะซึ่งผม uh huh. ก็สงสัยนะว่าเมื่อไม่มีการอธิบายแล้วทำไมท่านอาจารย์พุทธทาสอธิบายต้องหลายแบบก็ไม่ได้ให้ไปอ่านนะ ใหอธิบายว่าพุทธชาติเองก็มีส่วนที่เป็นพุทธพจน์และไม่มีส่วนที่เป็นพุทธพจน์ด้วยถูกต้องถูกต้องอาแสดงว่านี่ท่านหลงไปนะเนี่ยท่านหลงไปนะยึดเอาสิ่งที่ไม่ใช่พุทธพจน์มามามาศึกษาด้วยอถูกไหมครัเพราะว่าท่านท่านสอนไว้เนี่ยตำราส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ห้าเล่มนะท่านสอนไว้เป็นร้อยๆเล่มถูกต้องมีเป็นตู้เลยนะถูกต้องแล้วเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราชอบไปที่เป็นตู้เพราะว่ามันง่ายหน่อย ส่วนห้าเล่มเนี่ยมันอ่านยากเหลือเกินลูกศิษย์ท่านุู้ท้าท์ก็ไม่อ่านห้าเล่มที่ท่านทำเอาไว้นนั่แหลผมก็สงสัยสงสัยเหมือนกันว่าแล้วเราจะเอายังไงเอาพุทธพจน์หรือเอาแบบนอกพุทธพจน์เอาตามผู้เจ้าพุทธวัจนะเพราะว่าท่านสอนสองแบบนี่ไงนี่เป็นเหตุหนึ่งเหมือนกันที่อาตมาเห็นนะว่าอาตมาจะทําตําราตัวเองไม่ได้แต่ก่อนอาตมาก็ชอบเขียนเหมือนกันสี่หปีอะไรโอ้เขียนโน้นเนี่ยอ่ะใช่ไหม เรียนแบบครูบาอาจารย์เอเขียนเองพูดเองบัญญาติเองอะไรเองนะเอามาจากประสบการณ์อาตมาทิ้งหมดเลยโลเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดสาวกแปลว่าผู้ฟังคำสอนไม่ใช่ผู้บัญญัติศาสดาคือผู้บัญญัติคำสอนอย่างนี้หนังสือที่เผยแพร่ในสังคมประเทศไทย <c oughs> ทั่วไปที่เราสามารถจะหาซื้ออ่านได้จากดีเซีก็ดีที่ถ้าอาจารย์นิมนต์อาจารย์ประเทศบ้างจากอมรินก็ดีใช่ใช่ใช่ไม่ได้เท่านั้นเลย มีส่วนที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้ในส่วนที่ตรงพุทธวจนะก็ใช้ได้ซึ่งคนผู้อ่านผู้อ่านที่เป็นประชาชนทั่วไปจะก็จะไม่ทราบว่าอันไหนเป็นพุทธวจนะและอันไหนมันบิดเบือนไปต้องมาอ่านหนึ่งถ้าตำราณวันนี้คือห้าเล่มจากพระโอษฐ์ที่ท่านพุทธาทำเอาไว้เฉพาะห้าเล่มนะอาตมาตีกรอบไปที่ห้าเล่มเพราะเป็นงานแปลของท่านเท่านั้นไม่ใช่งานแต่งห้าเล่มนี้ท่านก็ยกมาจากบาลีสยามรัฐใช่ไหมครับต้องเลยทีนี้แสดงว่าท่านเนี่ย ไปคัดออกมาแล้วมาลงไว้โดยที่แม่เอาคําของท่านมาใส่ไว้เลย ถ, ถูกไหมฮะอย่างนี้ถูกไหมไม่ใช่คัดออกมาเพราะว่าสัมนวนท่านกับมหมาโมขุนหมาจุฬาบาลีเสาและเก่าของท่านคนละสัมนวนกันอันนี้เราพูดเรื่องการแปลแล้วนะลงมาในระดับของการแปลซึ่งจะต่างสัมนวนกันนิดหนึ่งนิดหนึ่งเล็กน้อยนะเพราะว่าถ้าที่ศึกษาดูเนี่ยท่านอาจารย์พุทธทาสเองเนี่ยท่านก็อยู่ด้วยตัวงท่านเองคนเดียวแล้วก็นั่งอ่านหนังสือ นังอ่านหนังสือแล้วก็แต่งหนังสือมาในป่าออืก็แสดงว่าท่านใช้สติปัญญาของท่านเนี่ยออืเป็นคนคัดเลือกธรรมะของพระพุทธเจ้าเอามาทําเป็นเล่มทําเป็นเล่มไปอาศัยปัญญาของปุตุชนเนี่ยจะสามารถแทงทะลุธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วก็ทําเป็นเล่มได้ถูกต้องหมดหรือเปล่าหรือว่าท่านอาจารย์พุทธทาบลุอรหันแล้วตอนนั้นที่ที่ทําหนังสือมาไม่ใช่หนังสือที่ยมพูดเนี่ยหมายถึงหนังสือที่ท่านแต่งเองหรือว่าห้าเล่มจากพระโอษฐ ก็ทั้งหมดนะฮะเพราะว่าท่านเป็นคนทําขึ้นมาเราต้องแยกแยะะหนังสือที่ท่านแต่งเองเราไม่เอาไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยไม่เอาเลยนะก็เหมือนกับอัตถกถาท่านอื่นเหมือนกันก็แสดงว่าท่านเองก็แยกแยะไม่ถูกว่าอันไหนเป็นพุทธพจน์อันไหนไม่ใช่ท่านเก็บประเด็นตรงนี้ไม่ได้ไงแต่ละคนเนี่ยไม่ใช่ว่าเก็บประเด็นพระศาสดาได้ทั้งหมดนะโยมนะอาตมาก็เก็บไม่หมดท่านผู้ทาดเก็บประเด็นอะไรได้เป็นหลักปฏิจจไม่เคยมีใครพูดเรื่องปฏิจจในยุคนั้น ท่านผู้ท่าน พ, พูดมาคนแรกบ้าพระบ้าไม่มีใครเ้าสอนกันนะโยมพระป่าก็ไม่สอนนะท่านผู้ท่านามาลงรายละเอียดลงปังปั้ ง, ป, ง, ป, งปั้งเขาไปคนตื่นตัวกันไหมเริ่มมาเรียนปฏิจจสมุปบาททั้งทั้งที่ผู้เจ้าเนี่ยสอนเป็นหลักเลยนะปฏิจจสมุปบาทดูสิรวมคําสอนได้เป็นเล่มพันกว่าหน้าใช่ไหมอ่ามันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นภูมิปัญญาของพผู้เจ้าเนี่ยเหมือนมหาสมุทรไอเราเนี่ยอาจารย์เครื่องริ้ก็ตักได้กระป๋องหนึ่งท่านผู้ท่านาตักได้ตุ่มนึ่งนะ ท่านประยุทธ์ก็นะหายหนึ่งอะไรมันแล้วแต่โยมพวกเนี้ยต้องมานั่งคุยกันญาติโยมด้วยปฏิปุจชาวินีตาคือถกกันในคําพระศาสดาโยมจะได้ประเด็นหนึ่งอาตมาได้ประเด็นหนึ่งคนนี้ได้ประเด็นหนึ่งค น, นรวมกันแล้วเนี่ยสุดยอดเลยผู้เจ้าบอกเธอจะเป็นบริษัทที่เลิศแต่ละคนเก็บไม่หมดโยมอาตมาก็เก็บไม่หมดนะทัน้ทนอาจารขอถามอาจารย์อีกทีนะครับคือว่าในโบราณกาลนั้นเนี่ย บุราจารย์นั่นก็เรียนภาษาบาลีอเอาบาลีเนี่ยเป็นตัวตัวหลักเพราะว่าตั้งแต่สังขยานาที่ท่านท่านสัตบัญญัติกูหาก็จําเป็นบาลีท่องมาเรื่อยใช่ไหมแสดงว่าเราจะส่งพุทธพจน์ได้เนี่ยเราต้องรู้บาลีใช่ไหมถึงจะถึงจะทรงพุทธพจน์ได้เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเบื้องหน้าที่แปลกันมาเป็นสยามรัฐเป็นอะไรเนี่ยแปลแปลถูกหรือเปล่าแปลกันผิดหรือเปล่าใช่ถูกถูกไหมฮะ เพราะว่าเป็นไปได้ทั้งนั้นเยอะอาจารย์บางท่านก็บอกว่าเนี่ยฉบับมหาเมกุดแปลผิดต้องเยอะไง น, <_ EN _> นะฮะบางคนก็บอกฉบับนู้นก็แปลผิดบางตอนหลายตอนเลยเนี่ยนะฮะก็แสดงว่าท่านผู้รู้เนี่ยท่านอ่านแล้วท่านก็รู้ว่าตรงไหนแปลถูกแปลผิดเหมือนกัน<_ <EN> _>ถ้าท่านยึดบาลีไว้ใช่ไหมครัใช่ต้องเช็คบาลีทุกอย่างต้องเช็คบาลีหมดนะโยามต้องร <_ EN _> นะู้ต้องรู้บาลีถึงจะรู้พุทธพจน์หรือว่าไม่จําเป็น ใช้ภาษาไทยก็สามารถจะรู้พุทธพจน์ได้ต้องแปลบาลีได้แปลบาลีไม่ได้ก็ใช้พจนานุกรมณนะวันนี้เราเนี่ยใช้พจนานุกรมทุกสำนักเอามาเช็คหมดนะและใช้พจนานุกรมที่ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ด้วยของหลวงเทพเดรร า, านุสิทตนะนั้นพจนานุกรมใน <c oughs> ยุคเนี่ยกี่หมื่นคำส 0,000 ื่นหกคำของบาลีอะไรเนี่ยบางทียังมีที่ไม่มีในครั้งรัชกาลที่หเลย เพราะนั้นตรงเนี้ยเราศึกษาเองได้ไงเหมือนเรียนลาเมายมนะ์เหมือนเรียนภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสเยอรมันญี่ปุ่นเนี่ยมันศึกษาเองได้ทั้งนั้นนะไม่ต้องไปเข้าสํานักเข้าก็ได้เดี๋ยวนี้ก็มีไงห น, นังสือเรียนบาลีไวยากรณ์ด้วยตนเองเออกมาเต็มไปหมดใช่มอ่าศึกษาเองได้นะเดี๋ยวให้คนอื่นถามบ้างนมศักการเรียนถามเลย ตรงไหนนะตรงไหนอ่ามควมื่ชาถ้าหากว่าเป็นคนที่อยู่ในพันธแล้วซักไและเลียงพระอาจารย์แบบนี้ค่ะได้ความกระจ่างไปแบบนี้ค่ะอาจารย์คนที่ไปตั้งประเด็นในพันธิปเนี่ยค่ะมาตอบโต้กับอาจารย์แบบนี้เลยเนี่ยหาชอบค่ะเขาอาจจะเคลียขึ้นว่าเอามาเป็นแบบนี้แบบนี้อย่างเี้ยขอบพระคุณค่ะเชนการเรียนถามนะคะว่ามีข้อสงสัยว่าอย่าง การที่เราอยู่ในชาติเนี้ยที่เราได้เกิดมาอยากจะถามว่าแท้จริงแล้ว่เวลาพูดกับคนทั่วไปว่าชาตินี้เราสามารถหลุดพ้นได้อะไรอย่างนี้คะเขาจะบอกว่าไม่จริงหรอกอะไรอย่างนี้อยากจะได้รับคํายืนยันจากพระอาจารย์ว่าจริงๆแล้วชาตินี้เราสามารถหลุดพ้นได้จริงหรือเปล่าต้องใช้พระเจ้ายืนยันอาตมาไม่ยืนยันใช่ไหมพระเจ้าเป็นสปัญยูอยู่คือคือเราอย่าไปคิดว่าเราหลุดพ้นไม่ได้ถ้ายอมคิดว่ายมหลุดพ้นไม่ได้เนี่ย ผู้เจ้าเรียกเป็นหนึ่งในมานะหกอตินิปะตะสำคัญตนว่าเลวว่าไม่ดีนะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยคนในโลกมันก็มีหลายระดับสมัยผู้เจ้าเนี่ยตัดสรู้ใหม่ๆผู้เจ้าพี่นาเป็นบัวสามเหล่านะจมน้ำปลิ่มน้ำพ้นน้ำผู้เจ้ายังตัดเรื่องบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกคนบางคนเกิดมาคราวเดียวนะทำอกุศลอย่างเดียวแล้วก็ตายไปเหมือนคนตกน้าคราวเดียวแล้วก็จมเลยนะ พวกที่สอง <c oughs> ผุดขึ้นครั้งหนึ่งแล้วจิงๆมทำกุศลมาได้นิดเดียวแล้วก็หมดแรงต่อทำอกุศลต่อไปพวกที่สามผุดขึ้นแล้วลอยตัวอยู่ทรงความดีไว้ได้แต่ไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะพวกที่สี่ลอยตัวแล้วเหลียวดูรอบๆพวกนี้โซดาบันเริ่มหาฝั่งละนะพวกที่ห้าว่ายน้าเข้าหาฝั่งนะพวกนี้สกาธาคามีพวกที่หก นะเหยียบถึงที่ตื้นแต่ยังไม่พ้นน้ำนะยังเหลือน้ําอยู่หน่อยอนาคามีพวกที่7ถึงฝั่งข้ามขึ้นบกแล้วเป็นพราหมณ์ยินอยู่พวกนี้พระละหันนั้นมนุษย์ในโลกก็มีหลายประเภทหลายแบบจะว่าทั้งหมดก็ไม่ใช่นะจะว่าไม่ทั้งหมดก็ไม่แน่แต่อย่าคิดว่าตนเองไม่ได้แค่คิดแค่นั้นมันก็ปิดกั้นตัวเองแล้วใช่ไหมนั้นโยมต้องกลับไปดูคุณธรรมของพระโสดาบันที่พระเจ้าวางไว้ศินห้า ข้อที่หนึ่งนะคุณธรรมสองประการทีตร่ตัดกับภาษาลิบุตรย ม, มีศีลห้าสักวันหนึ่งได้มหน่าจะได้มัง้งนะขยับไปสองวันสามวันใช่ไหมอย่างที่สองยมไม่หวันหว่นไหวพระรัตนตรัยได้มหเนี่ยแค่นี้สองคุณธรรมแค่นี้พูะเจ้าบอกให้พยากรตนและตนนะั้นเลยว่าเป็นพระโสดาบันแล้วเห็นนะอ่าง่ายง่ายนั้นมีอีกตั้งห้าสิบเอ็ดยะตรวจได้อ่าอย่าไปคิดว่าไกล ถ้าคิดว่าไกาก็มันท้อนะและพระโสดาบันเนี่ยแค่เห็นอะไรลอยเท้าช้าง <c oughs> อย่างโยมบอกว่าคนนั้นเขาบอกว่าเห็นนิพพานเนี่ยไม่ใช่เลยเพราะว่าถ้าดูอุปมาผู้เจ้าแล้วโสดาบันเนี่ยผู้เจ้าบอกเห็นแค่ลอยเท้าช้างสกัตาคามีเนี่ยเห็นลอยเอาช้างสีตัวข้างต้นไม้อนาคามีเนี่ยเห็นลอยที่ช้างเอางวงเนี่ยหักกิ่งไม้ข้างบนพระอระหันต เห็นตัวช้างทั้งตั ว, นะว น, นั้นโสดาสกิตาคานาคาเห็นแค่ล่องลอยใกล้กละไกล้ละและถ้าดูจากบุคคลตกน้ำเจ็ดจำพวกก็เฉียดนะเฉียดนะเฉียดเฉียดนะน้ำยังอยู่นะยังไม่พ้นยังแห้งไม่สนิทนะท่านอาจารย์นะปุะะญญายที่ข้างบ้านผมเนี่ยนะฮ ะ, ะก็เท่าที่รู้จักกับท่านเป็นสิบสิบปีเนี่ยท่านก็จะ เช้าตื่นขึ้นมาทำอาหารใส่บาตรพระทุกวัน oh. นะฮะแล้วก็ถือศีลห้า uh huh. แล้วก็วันพระก็ถืออุโบสถบางทีหมนุ่งขาวห่มขาวเนี่ย oh. ไปที่วัดด้วย uh huh. นะฮะท่านก็สอนว่าอย่าฆ่าสัตว์นะอย่าไปรักขโมยเขาอย่าอะไรนะฮะ uh huh. เออท่านก็ศีลห้าก็บริบูรณ์ดีเท่าที่รู้จัก uh huh. ท่านก็ไม่เคยทำผิดศีล ทีนี้ถ้าเราไปอ่านในพุทธวจนะใช่ไหมฮะสังยุตตนิกายโสดาปฏิวัคอะไรเนี่ยอบอกว่ า, าถ้าเริ่มใสในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีศีลอันพระอริยเจ้าสารเสริญไม่ขาดไม่ด่างไม่พ้ อ, อยก็แสดงว่าคุณยายนี่เป็นโสดาบันแล้วใช่ไหมฮะอันนั้นเราก็ฟันธงไม่ได้อ้าวก็เข้าสี่ข้อพอดีเลยเพราะในพุทธวจนะท่านว่าไว้แล้ว ถ้ามีศีลที่บริสุทธิ์มีความเริ่มใส่ในพรัลตนาจใก็เข้าเข้าล็อกเลยในโซดาบันล็อกที่สอนยมประเมินเข้าไม่ได้ไงว่าเขาสงสัยอย่างน้อยเราก็สงสัยเพราะเราเทียบกับในพุทธวจนะว่าถูกคุณยายนี่น่าจะเป็นโซดาบันทําได้ขนาดนี้ใช่ยมพอประเมินได้แต่ฟันธงไม่ได้น่ะเพราะเขาเท่านั้นที่เขาจะรู้เพราะคนที่ฟันธงได้เนี่ยมีผู้เจ้าคนเดียวน่ะอ่าแค่นั้นเองแต่เราพอประเมินนะไอ้คนนี้มันน่าจะใช่โซดาบันนะ อย่างเนี้ยนั่นดูดูะดระยะเวลาที่ยาวนานที่ท่านปฏิบัติตัวแสดงว่าท่านต้องเริ่มใส่ในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แฉมกลางคืนจะนอนแล้วเปิด AM ฟังธรรมะก่อนนอนด้วยใช่แสดงว่าท่านต้องศรัทธามากเลยบุคคลลักษณะเนี้ยพระเจ้าเรียกว่าบุคคลผู้ประเมินยากประเมินะยากนะใช่แสดงว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้ใช่ไหมใช่จะมี3ามบุคคลบุคคลผู้ประเมินง่ายพวกทุศินพวกวาจาซัดสายโกหกสอเสียดพวกนี้ประเมินง่าย พวกสำรวมอินทรีย์สินดีอะไรพวกนี้ผู้เจ้าบอกประเมินยากไอ้พวกนี้ประเมินยากและพวกประเมินไม่ได้คือพระหลานอ่าแบ่งเป็นอีกสามพวกอีกนั้นถึงว่ามันประเมินยากไงเพราะฉะนั้นระดับของการประเมินเนี่ยผู้เจ้าให้ประเมินแค่ระดับของสัตตบุรุษสัตบุรุษย่อมเห็นสัตบุรุษอสัตตบุรุษก็เห็นอสัตบุรุษนะเพราะว่าคนพานมีกรรมเป็นเครื่องหมายและบัณฑิตมีกรรมเป็นเครื่องหมายนะและวผู้เจ้าก็จะวาง รำม้ของสัตว์ปรุตเอาไว้อสัตว์ปรุษไว้นะให้เราพอประเมินได้ระดับหนึ่งอย่างเนี้ยอก็ถือว่าเขาดีแต่ไอ้ความไม่หวั่นไหวเนี่ยเราดูยากต้องอยู่ที่ในใจของเขาบางทีก็ยังมีเครื่องรางของขลังอยู่ในบ้าน้างอะไรบ้างอย่างนี้คือในอในในใ น, ในเรื่องของโซดาบันในในสังยุตตานิกายเนี้ยคือเราอ่านรู้แล้วเราสึกว่ามันไม่ยากเท่าไหร่นะฮะใช่แต่ว่า คนทั่วไปเขาก็ทำแบบนี้ได้เหมือนกันอะฮะถูกไหมฮะใช่เขาเขาไม่ได้ใส่บาตทุกวันเขาไม่ได้สวดมนต์เขาก็เริ่มใส่ในพระรัตนตรัยเขาก็ถือศีลห้าไม่เคยทำผิดศีลมาเป็นเวลาสิบกว่าปีแต่ความเรื่องใสเนี่ยเราก็เห็นกันฮะเราก็เห็นมากมายใช่ไหมฮะความความเรื่องใสเนี่ยมันมันลงรายละเอียดเยอะเยอถ้าไปดูในกรอบที่พระุทธเจ้าบอกเอาไว้เนี่ยมีอะไรเครื่องสังเกตวัตโกตูลมงคลใช่ไหม ยังทํำไหมเขาบอกเ้าเรื่อมสายชาวพุทธนะวันนี้ก็บอกเริ่อมสายพระเจ้าแต่ยังไปปลูกเสกเลขยันสะดาะเ้าดูเรื่อยอย่าเห็นไหมทุกคนบอกเรื่อมสายทั้งนั้นเลยโนยมและไปสังเกตในเรื่องมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวเรื่องกรรมสี่อย่างชาวพุทธนวันเนี้ยถามว่าไปบนบานศาลเก่าเยอะไหมเต็มแทบทุกวัดเลยถ้าเข้าขายมิจฉาทิฏฐิในเรื่องกรรมแบบที่หนึ่งเลยคิดว่ากรรมเลยสุขทุกเกิดจากผู้อื่นบันดาลเห็นนะ กวนประกาศเรื่อมใสนะ่แต่เขาไม่รู้จริงๆว่าเริ่อมสายจริงๆคือเริ่อมสายในธรรมะพระาศาสดาและรู้ธรรมะพระาศาสดานะชัดเจนในระดับหนึ่งชัดเจนระดับไหนผู้เจ้าก็ลงไปอีกเห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของไม่เที่ยงเมื่อเห็นตรงนี้ชัดเนี่ยปุกปันตาโนติติปันตาโนติจะละไปนะมันต้องมีผลตรงนี้พ่วงเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นไอ้แค่โสตาปยังขั้สีเนี่ยโอ้ไม่ง่ายเหมือนกัน ไม่ง่ายเหมือนกันนะ <c oughs> ถามท่านอาจารย์อีกนิดหนึ่งคือใน <c oughs> ในในรัตนระัตนสูตรขุธกกาศที่กายนะฮะเม <c oughs> ื่อมีภั่ข้าวยากหมากแพงก็ดีทุกทุกกภะพิบไผก็ดีอมนุษย์ไผก็ดีเกิดขึ้นที่เมืองเวสาลีเนี่ย<า>พระพุทธเจ้าก็ส่งเสด็จมาแล้วก็ให้พระนนไปตักน้ำที่แม่น้ำแล้วก็สอนรัตนสูตร ก็าาผ้าน o n <า>ก็เอาน้ําไปปะผรมน้ำมนทั่วเมืองแล้วก็สาธยายรัตนสูตรนะฮะอาา่อ า, าอ่าก็ปรากฏว่าภัยทั้งหลายก็หายไปได้าานะฮะนะฮะในอันนี้เป็นข้อความในรัตนสูตร <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> ทีนี้ <c oughs> อืไอ้รัตนสูตรที่ผ้าน o n สาธยายเนี่ยกับรัต น, นสูตรหรือรัตนผลิตเนี่ยอื ม, มันอันเดียวกันหรือเปล่าอืนนัเพราะว่าเพราะให้คนเช็คเนาะ อ่านดูเหมืกับว่าถ้าเราถ้าเราทําตามเนี่ยเราสวดรัตนสตรแล้วก็ประพรมน้ำมนต์อ่าฮะมันจะได้ผลเหมือนต้องถามว่าผู้เจ้ารับรองไหมใช่ไหมก็อันนี้อยู่ในพระสูตรในพุทธกาลนิกายถ้าถ้าผู้เจ้ารับรองเนี่ยนะหนึ่งข้อสังเกตคํำผู้เจ้าจะขัดกันหรือเปล่ากับสินที่บัญญัติก่อนปานิโมซึ่งผู้เจ้าห้าม ปมน้ำมนห้ามปลุกเสกนะดูหมอดูเลิกดูยามสั่งห้ามพิสษุบอกพิสูจในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทําเดรลฉานวิชาเห็นปานนั้นเสร็แล้วแม้นี้ก็เป็นสินของเธอประการหนึ่งเนี่ยในหน้าร9อยเก้าาถึงสองกว่าของคุ้มทรัพย์เนี่ยมีบอกไว้หมดเลยใช่ไหมเนี่ยพอปุ๊บคาพระเจ้าเอ๊ะดูท่าจะขัดแย้งกันปับ๊บต้องมีอันนึ่งละที่มันไม่ถูกซึ่งใน ตัวที่ห้ามพิสูจน์ตัวนี้ที่บัญญัติก่อนเป็นโมกมีถึง8ปดเกพสูตรที่ผู้เจ้าพูดซ้ํากันเหมือนเดิมเป๊ะหมดเลยโอตอกย้ําเห็นความเชื่อมกันลักษณะของคำผู้เจ้าจะพูดซ้ําซ้ําซ้ําไว้ในหลายๆที่ซึ่งเป็นประโยชน์มากต่อการเวลาที่ล่วงเลยไปและพะสูตรนี่หายอับพสูตรนี่ยังอยู่พสูตรนี้หายแหวงไปอซ่อมตัวมันเองได้อีกเห็นนะนี่ลักษณะงี้ทีนี้อย่างย่งสมัยปัจจุบันนี้นะฮ ะ, ะ, ะเวลาเราขึ้นบ้านใหม่เนี่ยเราก็นีมนพระมา ถวายพัะจ้าหารแล้วก็ท่านก็ท่านก็สวดมงคลสูตรลัคนสูตรอะไรต่างๆเสร็จแล้วท่านก็ถือบาทแล้วก็เอาน้ำมนต์ไปพรมห้องนู้นห้องนี้ห้องนู้นห้องนี้<า>เนี่ยอันนี้แสดงว่าเรียนแบบพระพุทธเจ้าในครั้งพุทธกาลใช่หรือไม่ก็ถ้าเรียนแบบเนี่ยก็ต้องกลับไปดูที่พระเจ้าตัดกับราชกุมารตัดกับมหาราชาที่บอกเรื่องห้ามพิสูจน์ทำเรื่องพวกนี้ทั้งหมดใช่ไหมดังนั้นถ้าพิสูจน์ทำเรื่องพวกนี้เอ๊ะ จะขัดกับตรงนี้เพราะนั้นตรงนั้นต้องไปตรวจสอบในรัตนสูตรตรงนั้นก่อนว่าตรงนั้นเนี่ยใครพูดอะไรยังไงจริงๆนะแล้วก็เป็นพุทธวจนะหรือเปล่าและถ้าพูดผู้เจ้ารับรองไหมเพราะการที่เทวดามาพูดหรือพระมาธรำอย่างพระเนี่ยเคยทําประทักษิณเดินรอบผู้เจ้าสามรอบแต่ผู้เจ้ารับรองไหมไม่รับรองเฉยๆนะเทวดาก็ทําพรหมก็ทําทําบ้างไม่ทําบ้างหายไปเฉยๆก็มีเดินรอบก็มี อะไรผู้เจ้าไม่รับรองปุ๊บเราเฉยๆเราเฉยบ้างใช่ไหมอย่างนี้นะถ า, ถามท่านอาจารย์อีกข้อนึงนะคือว่าเดี๋ยวนี้คนนิยมไปกับสังเวชนียสถานสี่จังบน uh huh, uh huh. ทัวร์นี่มีเป็นร้อยๆ uh huh. ทัวร์โทรมาเช้าโทรมาเย็นระยมจะไปไหมจะไปไหมอะไรเงี้ยนะะ uh huh. เมื่อไปอที่สังเวชนียสถานแล้วก็ไปสวดมนต์นั่งสมาธิอะไรกันอย่างเงี้นะฮะออื uh huh. ที่นี้เราอ่านในมหาปริญิพผ่านสูตรท่านบอกว่าถ้าใครได้ไปบูช า, าสังเวชนียสถานสีต่ตำบนแล้วคนนั้นจะเกิดในเทวโลกตายไปแล้วจะเกิดในเทวโลกที่นี้ผมก็เห็นนักการเมืองบางคนที่เขาต้องคดีทุจริตสารตัดสินแล้วก็ดียังกำลังมีคดีอยู่แล้วเขาก็ไปอยู่พุทธคยาแล้วก็บวชนะฮะเขาก็ไปสังเวชนียสถานแบบนี้เนี่ย จะลบล้างอทินนาฐานที่เขาทาได้หร้อไม่เขาจะเข้าไปในเทวโลกได้ไหมฮะเพราะว่าในมหาปรินิพพานสุดท่านก็ยืนยันไว้อย่างนั้นไม่ใช่ยืนยันไว้ร้อยเปอร์เซ็นต์ะเป็นช้อยหนึ่งในอารมณ์เท่านั้นเป็นส่วนหนึ่งถ้าเข้าละลึกได้ขนาดคนรักษาศีลห้าดียังไปอบายได้เลยโยมที่ปริพาชุกค่ถามอันนี้ท่านพูดไะท่านพูดเอาไว้ว่าออืผู้ที่ได้ไปใช่จะได้ไปเทวโลกใช่อันนี้แปลว่าไม่มีอื่นแล้ว ท่านพูดยังไงก็ต้องอย่างนั้นแหละไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะพรุทธเจ้าพู ด, พด <c oughs> ไม่มีสองพุทธเจ้าพูดหนึ่งหนึ่งไม่มีสองไม่ใช่ต้องสังเกตอย่างนี้โยมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแกะดูคําตรงนี้ใหม่เราแกะกันมาแล้วนะและโยมไปไปดูในพระสูตรที่พระเจ้าตรัสที่ปริพาชกมาถามนะว่าเขาเนี่ยเห็นคนรักษาศีลห้าไปเกิดในนรกแล้ว <c oughs> ทุศีลไปเกิดในสวรรค์พระเจ้าไม่ตอบเห็นนะ แล้วพระนรินถามว่าพอรับฟังได้ไหมพ ร, พระเจ้ารับฟังได้อา้าวเหตุใดจึงเป็นเช่นนะั้นพระนรินยังสงสัยเลยใช่ไหมผู้เจ้าจึงแจกแจงบุคคลสิจําพวกในโลกบางคนเนี่ยรักษาศีลดีนะแต่ไม่เคยฟังธรรมสังสมสุตตะไม่แทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นไม่เคยทําสมาธิไอ้พวกนี้ไปอภาัายได้นะและถ้าใครบอกว่าคนรักษาศีลทุกคนไปเกิดในสวรรค์ผู้เจ้าบอกพระองค์ไม่เคยตอบเลยว่าคนทุกคนเพราะฉะนั้นยงไปดูในพระสูตรที่สังเวชนีผู้เจ้าบอกคนทุกคนไหมไม่ใช่ นะเพราะนั้นชี้ชัดลงไปเจาะลงไปกว่านั้นอีกก็มีนะท่านพูดเป็นกลางๆแต่คํากลางๆเนี่ยเราก็มักจะไปประเมินเองว่าไอ้ย 100% เท่านั้นแต่จริงๆไม่ใช่เพราะว่าอย่างรักษาสินท่าเนี่ยโดยปกติผู้เจ้าก็บอกอ๋อเป็นไปเพื่อสุกติโลกสวรรค์อะไรที่มันเป็นเหตุสุ่มเสี่ยงแม้นิดนึงแล้วมันเป็นผลเสียผู้เจ้าจะไม่มาพูดเก็บไว้ก่อนนะถ้ามีเหตุจริงๆถึงจะแจกแจงให้หมดเลยปั๊บ โอ้ทำให้เราผู้เจ้าเลือกพูดนะเลือกพูดในส่วนที่เป็นประโยชน์แม้บางอันเนี่ยอย่างพระสารีบุตรถามปั๊บเนี่ยจะบอกไปว่าสารีบุตรถ้าคําถามนี้ไม่ถูกถามเฉพาะเจาะจงเราจะไม่ตอบเพราะจะยังให้สาวกเกิดความประมาทนะผู้เจ้าจะโอ้โหละเอียดมากนะทุกเรื่องนะเพราะว่าอย่างองค <c oughs> ์องค์กรพูดที่เป็นผู้นําในประเทศไทยไหลายแห่งก็เอาคําพูดอันนี้ไปเขียนไว้ในเวลาที่จัดทัวร์ ไปนมัสการก็มักจะเขียนตรงเนี้ยผมอ่านแล้วก็อยากจะไปบ้างแล้วก็มีพระ้าจาย์พระ้าจารย์ไปเป็นมะกรูเทศด้วยอะไรด้วยเก็ยิ่งรู้สึกว่าน่าศรัทธาใช่นะฮะทีนี้ก็อารมณ์หนึ่งเหมือนกันก็ไม่ทราบว่าเอ๊ะที่พรุทธเจ้าตัดไว้อย่างนี้เนี่ยมันถ้าเราไปว่าข้อยกเว้นเนี่ยเราไปเราไปตีความมาเองหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่หรือว่ามันต้องอื่นเชื่อมยยงเหมือนกับว่า ที่ว่าอ น, นิสง์ของการที่นักบวชผู้มีศีลเข้าไปสู่บ้านเรือนของผู้ใดได้อะไรบ้างหนึ่งการเริ่มใสนะ่ในมดนักบวชผู้มีศีลเป็นไปเพื่อสุตติโลกสวรรค์อ่ะทุกคนที่เริ่มใสแสดงว่าจะต้องได้สวรรค์กันทุกคนละสิไม่ตกนรกเลยเอองั้นก็ดีง่ายดีมันเป็นช้อยหนึ่งขนั้นจะเหมือนกับสังเวสีอีกพระสูตรหนึ่งพระเจ้าบอกว่า เวลาตั้งจิตเนี่ยเวลาอากุศลเกิดขึ้นไม่รู้จะแก้ยังไงเนี่ยผู้เจ้าบอกว่าให้เธอนึกซึนึกถึงสิ่งที่เธอเริ่มใสยอย่างได้อย่างหนึ่งจากนั้นเนี่ยปิติจะเกิดขึ้นสุขจะเกิดจิตจะตั้งมัน่นนะอันนี้เป็นไปเพื่อสุติโลกสวรรค์เห็นไหมาอารมณ์ใดก็ตามที่มันทําให้ปิติเกิดสุขเกิดจิตตั้งมั่นเนี่ยมันเข้าสู่สุติโลกสวรรค์ได้นั่นก็คือสังเวชนียสถานสี่เป็นหนึ่งในช้อยหนึ่งเข้าใจไหม แค่นั้นเองเรามีพระสูตรที่เทียบเคียงหลายๆอันนะจัดลัลกษณะอย่างเดียวกันพระเจ้าจะพายอย่างนี้มันหมายความว่าเหมือนกับทําบุญก็คือบุญส่วนบุบาปส่ว น, บ, วนบาปสุดท้ายแล้วมันก็ต้องไปชั่งน้ําหนักอยู่ดีตอนตายว่าบุญหรือบาปมากกว่ากันใช่ไหมคะแล้วก็จะไปอย่างไง้นพรเจ้าเป็นคนเวทน้ําหนักตรงนี้ไว้ให้รู้น้ําหนักว่าทําแค่ไหนจะได้มากได้น้อยในยส่งมากน้อยจะแจกแจงไว้ด้วยนะและบุญส่วนบุญบาปส่วนบาปเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งนะ อย่างเช่นผู้เจ้าจะเคยอธิบายถ้าเธอทุศินนะแต่เธอทําทานมากเธอจะไปเกิดเป็นเดรัจฉานแต่ได้ทรัพย์ของเดรัจฉานอย่างเนี้ยเช่นไปเกิดสุนัขบ้านคนรวยเนี่ยโยมสบายมีกินมีใช้นะอ่ามีหมอรักษาแต่เป็นเดรัจฉานคุมมาอ่าเพราะว่าผิดศีลใช่ไหมนั้นมันก็ให้ผลของมันซึ่งอย่างเรื่องของทานเนี่ยจำแนกไปได้หลายบ้างโภคามากทรัพย์มากมีรูปสวยงามผิวพรรณงามเห็นนะ บริวารชนเชื่อฟังบุตรภรยาฆ่าทาตกรรมกรคนใช้ซัพย์ไม่เกิดอันตรายจากไฟจากน้ําจากพระราชาจากโจรจากทายาทอันนั้นเป็นทีรัก น, นี่คือการจําแนกกรรมผู้จ้างจะเป็นคนทราบไงและบอกน้ําหนักเช่นว่ายมให้ทานกับคนเป็นร้อยเป็นพันผู้จ้าบอกสู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้นะให้ทานไล่ไปพระโสดาบันร้อยก็สู้ให้กับพระสกาทาคามีองค์เดียวไม่ได้จนถึงพระหันหนึ่งองค์ แล้วบอกให้ทานพระอรหันต์ร้อยก็สู้สร้างกุฏิครั้งเดียวไม่ได้สร้างกุฏิเป็นร้อยก็สู้รักษาสินข้างเดียวไม่ได้ใครเป็นคนเวทน้าหนักตรงนี้พระพุทธเจ้ารู้ไงนั้นเราต้องสั่งสมสุตตะตรงนี้เราถึงจะเข้าใจนะแล้วอย่างนี้ถ้าถ้าเวทแบบนี้อย่างนี้คน <c oughs> ส่วนใหญ่ที่จะทําบุญเขาก็ต้องเลือกทําบุญสมมุติว่าแทนที่จะตักบาตกับพระสงฆ์ทั่วไปเขาก็ไปเลือกไปตักบาตกับพาาาระอรหันต์อย่างนี้แล้วแล้วมันเหมือนกับบาปไหมที่ว่าไปเลือกตักบาตเหมือนกับบุญจะได้ไม่เต็มหรือเปล่าะคะ <c oughs> การเเเลืออกกไไม่ไดดด้้้ผิจาาบขี มีข้าวอยู่เนี่ยจะหวานในนาดีนาปันกลางนาเร็วนะลงทุนแล้วเสียเวลาแล้วอะไรแล้วก็หว่านในนาดีใช่ไหมนั่นมุมหนึ่งนะการซึ่งชี้เห็นว่าการเลือกไม่ได้ผิดมุมที่สองจะมีข้าบดีถามแบบโยเหมือนกันก็อยากทําทานกับพระรหลานจะได้นิสงฆ์มากเราจะรู้ได้ไงใครเป็นพระหลานผู้เจ้าบอกข้าบดียังนอนเบียดบุตรยังใช้สอยผ้าจากเมืองกาสีกระจัะจันจากเมืองกาสียังรับเงินและทองการที่เธอจะ รู้ว่าใครเป็นพระหลานเนี่ยรู้ไม่ได้หรอกนะรู้ได้ยากให้เธอถวายในสงถวายเป็นสังฆทานคือทานที่ไม่จำเพาะเจาะ จ, จงลงแก่พิสุรูปใดรูปหนึ่งนั่นคือวิธีแก้พู้เจ้าก็เปิดช่องไว้ให้บอกไว้ให้แล้วนะอย่างนี้ตอนเช้าเราทำบุญนะท่านอาจารย์ครับเราก็ตั้งจิตว่าเราเตรียมอาหารไว้เนี่ยนะที <c oughs> นี้มีพระเดินมาเนี่ยใครก็แล้วแต่ไม่เจาะจงเราจะถวายเป็นสังฆทานคือเราไม่เจาะจงใช่ ทีนี้มีเนนน้อยองคหนึ่งมาเนี่ยเราก็ถวายเลยอ uh huh. เราก็ได้บุญมากเพราะว่าการถวายสังฆทานเนี่ยมีบุญมาก uh huh. ถูกไหมฮะได้ได้เยอะเพราะว่าเราไม่รู้เนี่ยว่าองค์ไหนเป็นโสดาบันองคไหนเป็นอรหันต์ uh huh. เราจ ะ, uh huh. จ, ะจะไปรู้ได้ยังไงถูกไหมฮะใช่เพราะงั้นเมื่อเมื่อเนเนเนนเดินมาองคหนึ่งเนี่ยแต่เนนเนี่ยไม่ไม่ไม่ใช่สงฆ์นะเนนเป็นอนุปรสัมปัน แต่ว่าแต่ว่าเป็นหลอเนื้อของสํานาเฉยๆอย่างนี้ถือว่าสังฆทานหรือเปล่าทานที่ถวายไปไม่ไม่ไม่ใช่สงสงคือภิกษุกับภิกษุณีเท่านั้นนักบวชถ้าถ้าพระสงฆ์เนี่ยพระสมชายเดินมาเราถวายเลยแต่เราใจของเราเนี่ยเราต้องการถวายไม่เจาะจงอันนี้อันนี้เตียนนะแป๊บหนึ่งอ๋อออาอันนี้ ทีมเขาหามาให้แล้วปลิ้นไม้เสร็เลยนี่เดี๋ยวโยงอาเป็นเรสเฟลนได้ที่บอกว่าใส่บาตรทาน้ำมนตเนี่ยเป็นอัฐฐตกถาลัตตานสูตรตัวจริงคือตัวนี้ที่เป็นพุทธวัชนะต่างกันเห็นมไหมนั้นเวลาเราอ่านตรงเนี้มันยากนิดนึ่งเพราะนั้นเดี๋ยวใจเย็นรอสาสามเล่มของเราเราจะแยกไว้ให้นะจะแยกอัตกรถากับพุทวัชนะออกซึ่งตอนนี้มันจะงงกันอยู่ไนะงงงกันอยู่ทีมงานก็ต้องนั่งนั่งตรวจกันพอสมควรเหมือนกันแต่มันจะมีอีกพสูตรอีกระดับหนึ่งที่ กัมกึง่งดูไม่ออกไอ้พวกดูไม่ออกเนี่ยเราจะคงเอาไว้ไม่ได้ทิ้งไปนะจะคงเอาไว้แต่อาจจะปรับเป็นตัวเอียงนิดหนึ่งอย่างเนี้ยอ่าให้รู้ว่าเอ้ยตรงเนี้ยไม่แน่ใจนะแล้วจะบอกระดับของตัวหนังสือไว้ให้ด้วยว่าตัวหนังสืออันเนี้ยจะหมายถึงอะไรนะอ่าะนั้นอันนี้ก็คือ <c oughs> เรื่องการใช้บาดของพระผู้มีพระภาคเจ้าเที่ตักน้ำปรับพมน้ํามนต์อยู่ทั่วพระนครอันนี้เป็นส่วนแห่งอัตกถานะ ส่วนรัตนสูตรจริงๆเนี่ยจะอยู่ในเล่มที่สิบเล่มที่ยี่้าของทั้งหมดสุดตันตปิโดกเล่มที่สิบเจ็ดนะตรงนี้จะมีแค่นี้นะเดี๋ยวเอาไปเป็นเฟรฟ e r e ได้อะอยาอยากได้หนังสือไปอ่านบ้ได้ได้ได้ได้ มีมี<า>พ อ, ม, อ ม, มีมีมีให้เลยเอาหนังสือเล่มเล็กๆเกนี่ยมาอย่างละเล่มเยอะๆนะให้โยมก็อย่างละชุดนะอืมอืมอซีดี <c oughs> ด้วยเนาะซีดีดีวดีโยมก็สนใจดีขนะอถางดีข้อน่งนะคะคือ <c oughs> แล้วอย่างกรณีถ้าสมมติว่าสวดมนต์นั่งสมาธิเนี่ยหลังจากสมมนตินั่งสมาธิเราต้องแผ่เมตตาแต่ว่าเราจะมีวิธียังไงที่ว่าไม่ใช่ต้องแผ่เมตตานะแผ่ก็ได้ไม่แผ่ก็ได้แผ่ก็ดี นะแต่ไม่ทําก็ได้ไม่ใช่ว่าต้องทำํำแล้วทำยังไงที่จะเหมือนกับว่าอุทิศบุญให้ให้ได้อ น, นิสงฆ์มากที่สุดเหมือนกับว่าให้เขาได้รับเต็มที่เพราะว่าเคยได้ยินพระอาจารย์บางท่านก็บอกว่าถ้าเหมือนกับบางคนที่ปฏิบัติทำแล้วเหมือนกับบารมียังไม่เต็มมันจะแผ่ไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อไม่เกี่ยวพระองค์ตรัสกับว่าเศรษฐะว่าจิตต้องปราศจากอากุศลหรือนิวรหานั่นน่ะเป็นจิตที่พร้อมที่จะแผ่เมตตาแล้วแค่นั้นเองนะอะทราบได้ยังไงคะว่า ที่เราแผ่ไม่ตาไปนี่เขาได้รับหรือเปล่าะเง้ยอ๋อได้รับไม่ได้รับไม่ต้องไปตามรู้เพราะว่าผู้เจ้าเนี่ยจะไม่พูดเรื่องไม่เกิดประโยชน์ถ้าไม่ได้ไม่ได้ผลไม่มีประโยชน์จะไม่หลุดออกจากปากผู้เจ้าพระศาสดาจะพูดเฉพาะเรื่องจริงเรื่องแท้เรื่องประกอบด้วยประโยชน์เท่านั้นนะเรื่องไม่ประกอบด้วยประโยชน์จะไม่พูดจะเป็นหลักการพูดของผู้เจ้าหกอย่าง ว่าให้ให้แผนเมตาได้แต่ว่าไอ้กรวดน้ำที่ที่ต้องใช้น้ำนี่ก็คือไม่จำเป็นใช่ไหมไม่ได้บัญญัติไงไม่ได้บัญญัติพระองค์ให้เตรียมจิตไม่ต้องไม่ต้องไปเตรียมน้ำเตรียมแก้วนน <laughs> ตัดไว้ในในหนังสื อ, เ, อ, อเนี่ยสัจยายธรรมของเราเนี่ยก็จะมีบอกเรื่องการแผ่เมตตาไว้มีประมาณ4พระสูตรหรือไงเนี่ยที่พูะเจ้าตัดไว้พร้อมอา น, นิสงส์11ประการของการแผ่เมตตาอยู่ด้านหลัง สาธิเนี่ยสงสัยว่ามันได้อ น, นิสงอย่างไรอ่ะอ น, นิสงถึงได้ที่สามารถแผ่บุญกุศลได้แค่การที่เรานั่งสมาธิทําจิตสงบเนี่ยมันมันเกิดคนถึงกับ <c oughs> เขาเรียกกันอะไรอ่ะมีอ น, นิสงยังไงที่ที่ถึงสามารถที่จะอนิส ง, <ห>สง์มันคือเป็นจิตที่มีกําลังจิตที่มีกําลังกับไม่มีกําลังเนี่ยวัดกันที่ไหนพระศาสนาบอกวัดที่ตัวนิวรห้าดับไปไหม นิวรณ์หเนี่ยเป็นเหตุให้จิตถอยกำลังพระศาสดาเปรียบเหมือนอุปมาเปรียบเหมือนน้ำไหลลงจากภูเขาแล้วมันมีซอกเล็กซอกน้อยซ้ายขวาเนี่ยอันนี้นิวรณ์หจะทําให้น้ําที่ไหลลงจากภูเขานั้นอ่อนกําลังลงแต่ถ้าดับนิวรณ์ห้าได้เหมือนซอกเล็กซอกน้อยซ้ายขวามันไม่มีน้ําที่ไหลลงมาจะมีกําลังแรงมากจิตเหมือนกันถ้าปราศจากนิวรณ์หแล้วเป็นจิตที่มีกําลังเพียงพอที่จะแผ่เมตตาได้นะ ประเด็นคาถามในใจก่อนที่จะมีลูกศิษย์จะเอาใบน้ำมาเพราะมีการบัญญัติว่าห้ามห้ามใช้น้ำมนต์และขณะเดียวกันรัตนสุร์เขบอกมีน้ำมนต์ผมเลยนึกถึงว่าการแสดงอิทฤิในกระตูนพระพุทธบาทมีเยอะแยะเลยขณะที่ข้อบัญญัติเนี่ยตั้งแต่ที่มีการแสดงว่าเป็นพระอาหารหรือเปล่าแสดงฤทธิ์อภรรยาขึ้นลอยไปแขวะนเอาไว้ แล้วจากนั้นก็มีการห้ามว่าห้ามห้ามพุทธสาวกแสดงฤติผมเลยมีข้อคิดในใจว่าเนี่ยอาจจะเป็นจุดที่แตกประเด็นกันขึ้นมาว่ามันห้ามแต่จริงๆีง่ยหลายหลายรูปสาวกทั่วไปทําได้มีมีมีความสามารถในการทําแต่มีข้อห้า ม, มเพราะฉะนั้นจุดนี้อาจจะเป็นจุดในการแปลการตีความหมยายยากเหมือนกันว่าเพราะมีการทําแต่มีการห้ามแต่ขณะเดียวกันที่ศึกษา พุทธประวัติมาก็มีการทำปฏิหารกันจนจนถึงปรินิพานเลยนะฮะ เ, เดี๋ยวคนเอาเอธิละประเด็นนะ <laughs> ในในเรื่องน้ำมนเนี่ยคือคไม่ใช่เพราะว่าเป็นอัตกถาอัตกถาแต่งเองพูดเองอันนี้ทราบแล้วครับอ่าใช่เพราะนั้นก็แสดงว่าไม่มีแน่นอนเพราะไม่งั้นเนี่ยคำศาสดาจะขัดกันเองเพราะในสินที่บัญญัติกับภิกษุเนี่ยห้ามทถูกต้องไหอ่พาพระนรนจะมา มาทําขัดกับผู้เจ้าก็ไม่ได้นะส่วนอิทธิ ป, ปฏิหารเนี่ยผู้เจ้าจะตัด <c oughs> อย่างนี้อย่างตรัสกับเกวัตตาว่าพระองค์เนี่ยอึดอัดขยักขยงเกลียดชังต่ออิทธิปฏิหารและอธิษฐานปฏิหารเป็นอย่างยิ่งนะตรัสกับเกวัตตานะส่วนกรณีของอิทธิปฏิหารนะจะปรับอาบัติภิกษุที่ทําไว้นะโดยภารัทธวาช้าเนี่ยเป็นต้นบัญญัติซึ่งเป็นพร ะ, ะหรหันต์แล้วก็เก่งฤทธิ์ด้วยนะไปแสดงฤทธ ปลดบาทค่าเศรษฐีลงจากยอดไม้แล้วเวียนไปเมืองราชคฤห์สมรอบก็เลยถูกผู้เจ้าเรียกมาตำหนิประชุมสงฆ์ด้วยแล้วปรับประบา ท, ทุกกฎแก่ภิกษุผู้แสดงอิทธิปาฏิหาริย์อย่างนี้แต่ก็ยังเห็นพระโมคคัลลนะซึ่งใช้ปฏิหาริย์หลังจากบัญญัติตรงนี้แล้วเนี่ยมากอยู่ซึ่งก็คงได้รับพระอนุญาตหรือเปล่าประมาณนี้ <c oughs> ใช่หครับมีกรณีนี้คือเราเนี่ยอวดคุณวิเศษ ที่ไม่มีในตนหรือเปล่าหนึ่งสองอวดคุณวิเศษกับอนุปสัสมบัติหรือเปล่าหนึ่งอ่าอย่างนี้นะท่านอาจารย์ครับ เ, เวลาเรามีความทุกข์เนี่ยนะฮะเราก็ไปหาพระแล้วก็ฟังธรรมของท่านท่านก็สอนว่าโยมต้องรู้จักมองในแง่บวกเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้มองในแง่บวกใช่โยมต้องรู้จักหักหอกเป็นดอกไม้อ่าทีนี้บางทีเราไม่เจอพระเราก็ไปดูหาหมอดูบ้าง หมอดูก็บอกว่าดวงดาวของโยมเนี่ยกำลังอยู่ในเคราะห์มีเคราะห์ อ, อ, อยู่จะต้องสูญเสียทรัพย์ให้สวดมนต์นะฮะแผ่เมตตาแล้วก็อมองโลกในแง่ดี positive thinking ด้วยออเอะหมอดูก็สอน positive thinking แล้วพระพุทธเจ้าก็สอน positive thinking หรือเปล่าสอนอยู่สอนให้มองในแง่ดีหรือเปล่าใช่สอนใ ห, ให้พูดป้าสอนให้คิดกุศลเป็นหนึ่งใน ทำ5้าประการที่ละอากุศลนะนไปคิดเรื่องกุศลนะใคร่ควรโทษ 3. โยนทิ้งไปเลย 4. บรรยายรูปภพันธ์สันฐานของอากุศลนิตกนั้น 5. กัดฟันสู้นี่คือ5วิธีของการดับอากุศลหนึ่งในนั้นคือคิดเรื่องกุศลเขามาทดแทนคือหมายถึงว่าเวลาที่โลกธรรมมาเจอกับเร า, า, าเราเจอโลกธรรม8เนี่ยนะาาาาเสื่อมลาบ <c oughs> เสื่อมยศบ้าง <c oughs> อะไรบ้างเนี่ย เขาสอนให้เราบอกว่ามองโลกในแง่แง่บวกมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ทำง่ายๆนะฮะเพราะเราเป็นปุตรชนนะเราเสียไปล้านหนึ่งอย่างนี้จะให้เรามามองโลกในแง่บวกเราก็ไม่รู้บวกยังไงเงินมันหายเวลาล้านหนึ่งแล้วนะซีนมิมาในญาติเราตายไปบอกตายยังดีกว่ามันมันหายไปเลยนะมันจะแง่คิดในแง่บวกคิดยังไงอ่าคือถ้าเราคิดอีกอย่างคือ มรณสตินะถ้าเราคิดมรณสติเยอะๆเนี่ยเยอมให้เรื่องอื่นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องเล็กไปเลยถ้าพรุ่งนี้เราตายนะจบไอ้เรื่องทรัพย์สินเงินทองอะไรเนี่ยมันหมดค่าไปเลยนะพระเจ้าจึงให้คิดเรื่องตายเยอะๆไงะนะคิดเรื่องตายบ่อยๆความเพียรจะเกิดขึ้นความห่วงด้วยเย้าเรือนจะค่อยๆหมดไปหรือให้จเจริญสติปัฏฐานสีมากๆความคิดอันเนื่องด้วยเย้าเรือนจะหมดไปอย่างเนี้ย ต้องดึงจิตกลับมาที่กายดึงจิตกลับมาที่กายแล้วค่อยๆใช้ปัญญาพิณาแก้ไขเพราะถึงโยมจะจมปากอยู่กับทุกข์ถามแ ล, แล้วแก้อะไรได้ไปจมกับทุกข<ช>ต้องเดินหน้านะวันนี้อยู่กับปัจจุบนันแล้วแก้ไขไปดีกว่าใช่ไหมอ่ะมันถึงจะปลดทุกได้อย่างเนี้ยเราจเจริญ ม, มรณะ <c oughs> มรณสติใช่ไหมท่านอาจารย์ ใช่นั่นมุมนึงนะอย่างในพระสูตรท่านบอกว่าให้ให้ให้เจริญมรณะสติทุกลมหายใจเข้าออกใช่ไหมครัอืมคือให้บ่อยมากๆใช่ไหมครับ่อยมากๆทีนี้พระก็สอนแล้วว่าให้เราอยู่กับลมหายใจอือหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทอย่างเงี้ยนะฮะจะทําอะไรก็ให้พุทโทตลอดเวลาอ๋ออย่างนี้มันจะขัดกับพระพุทธเจ้าหมเพราะพระพุทธเจ้าให้ให้ทุกลมหายใจให้เจริญมรณานุสติ อ๋อแต่พระอาจารย์บอกว่าให้เจริญพุทโธทุกลมหายใจเนี่ยก็พระเจ้าไม่ได้สอนเรื่พุทโธใช่จะเอาจะเอาอันไหนกันแน่จะจะเอาปานหสติหรือจะมรณานุสติต้องต้องเอาพระพุทเจ้าก็ต้องมรณานุสติทุกลมหายใจอานาปาหรือมรณานุสติก็อานาปาหรือมรณะใช่ใช่แต่อนาปานี่ท่านไม่ได้บอกเนี่ยให้ทํำทุกทุกทุกทุกตลอดเวลาให้ให้มากที่สุดแทบจะบอกว่าอย่าลืมลมหายใจเลยเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงในลม นะโตลงก็คือเอากรรมฐานใดกรรมฐานหนึ่งเพราะว่าจิตก็รับอารมณ์ได้ทีละขณะแต่มันจะเชื่อมเชื่อมกันเยอะมันจะเชื่อมกันเช่นว่าโยมรู้ลมเนี่ยนะขณะที่จิตโยมรู้ลมหายใจเนี่ยถามว่าโยมเห็นมรณะไหมเห็นขณะที่จิตอยู่กับลมปั๊บเนี่ยที่สุดจะจางคลายและดับไปเช่นขณะยมนั่งรู้ลมหายใจเขาออกปุ๊บเดี๋ยวไปคิดอดีตนะขณะที่ไปคิดอดีตเนี่ยคือจิตเนี่ยดับจากลมคือรูปดับ นามเกิดสัญญาเกิดยมเพลินไปสักพักนึงดึงจิตกลับมานามดับคือสัญญาดับรูปเกิดมรณนะตายอุบัติเกิดจุติตายมรณนะอุปัตาอุบัติเกิดมีตลอดเวลาเลยผู้เจ้าจึงบอกว่าอารมณ์อารมณ์ไม่เหมือนกั น, นอารมณ์คือมรณานุสตินี่เราก็คิดว่าความตายเนี่ยมันเป็นของธรมรมดาเที่ยงแท้ใช่ไหมออั น, น, นควา ค, ความตายของสัตว์บุคคลเนี่ยเป็นของ ตายแน่ตายแน่ก็คือสัตว์บุคคลต้องตายแน่อันนั้นเรามองเฉพาะรูปธาตุไงจริงๆต้องมองครบขันทั้งห้าคือในเวลาที่เราปฏิบัติเนี่ยเราก็ต้องภาวนาใช่ไหมว่าตายแน่ตายแน่อ๋อไม่ไม่ไมหรือว่านึกว่า <c oughs> เราต้องตายแน่มรณ า, านุสติคือเราจะภาวนาอย่างไรไม่ใช่ไม่ใช่มรณ า, านุสติเนี่ยมีหลายแบบในแบบที่เป็นส่วนรูปธาตุเนี่ยคือพินาอสุภาพินาศความตายพินาศร่างกายว่าแตกดับนะ อ่าหนังเปือยบูดเน่าร่างกายบูดเน่าไปนี่เป็นส่วนรูปธาตุแต่มรณะของจิตของอารมณ์แ่ะด้วยเหมือนกันความดับไปความหายไปความวายชีพนะการดับเนี่ยนี่โลดมีหลายอม่างในการทํามรณะนิสติเนี่ยท่านท่านไม่ได้หมายถึงการดับแบบนี้นะท่านหมายถึงสัตว์บุคคลดับนั่นคือเพื่ส่วนของรูปนะเพื่อเพื่อให้เราสังเวชใจสลดใจใช่ไหมครั เราจะได้ไม่ยึดถือถไม่ยึดเกาะใช่ไหมในส่วนรูปพระอนาคามีเนี่ยกระโซดาบันเนี่ยต้องตีอยู่ในกรอบรูปนะเพราะส่วนอรัตมาร์คขึ้นไปเนี่ยต้องพูดเรื่องของจิตละทีนี้เวลาเราทําอานาบานาสติเราดูลมยาวลมสั้นลมกระทบใช่ไหมฮะอ่าอ น, นี้มันอารมณ์เป็นคนละแบบกันเราจะทําไงในเวลาเดียวกันทําไม่ได้มันต้องแบบใดแบบหนึ่งอ๋อได้อย่างนี้ถ้าโยมนั่ง นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเข้าออกแล้วโยมต้องการเจริญมรณสติในแบบอสุภะนั่นก็คือ 1. พอยมรู้ลมหายใจเข้าออกจนอกุศลวิตกดับไปแล้วนะยมก็จะเริ่มมีวิตกวิจารณได้เหลือคิดกุศลวิตกในเรื่องอสุภะขึ้นมาวิจารณ์ต่อไปนะนึกเออเมื่อวานไปดูศพที่นิติเวชนะหรือเมื่อวานไปเจอรถชนคนโอ้โหเสด กระดูกเนื้อกระจัดกระจายไปหมดวิจารณ์ต่อไปสลดใจเกิดปิติเกิดสุขขึ้นมานะจิตตั้งมั่นได้นี่เป็นลักษณะของอสุภะภาวนานะนั้นอยู่ที่ว่าใครกําลังเดินมารเพื่อปล่อยวางอะไรนั้นถ้าคนคนนั้นยังยึดติดในรูปเขาต้องปล่อยวางรูปแต่ถ้าเขาเนี่ยเริ่มปล่อยวางรูปได้แล้วเขาจะเห็นโทษ ของนามธรรมมากกว่ารูปละรูปก็ไม่สนใจละรูปไม่ใช่อุปสัรคของเขาอีกเขาจะไม่มานั่งพิณาอสุภะอะไรแล้วนะเขาก็จะพิณาการเกิดดับของอารมณ์อย่างนี้นะเป็นมรณะเหมือนกันเป็นการดับนิโรดนั่นเองอยู่ที่เป็นนิโรธของอะไรนะขันนั้งห้าเลยโย่อย่างนี้อันนั้นเป็นมรรควิธีหนึ่งแค่นั้นนะ <c oughs> CP Land มีคำถามอะไรอีก <laughs> ผู้ใหม่นะ CP Land มีผู้ใหม่ผู้เก่านะ <laughs> เชิญเชิญวันนี้ได้หลายประเด็นหลายมุมเนาะโอกาสค่ะอาจารย์คือเวลาเราดูอนาปาสนสติครับเวลาเกิดมันมันั่งเรื่อยนมันจะปวดเนี่ยให้ระวังจิตไว้ยังไงนั่งเรื่อยๆจะปวดนั่งเป็นนานๆครัมันจะนั่งป<ว>เป็นานานๆ<า>อ๋อคือคือให้เราดูลมต่อไปหรือว่ายัางไงเพราะว่ามันเวลามันเจ็บแล้วมันดึง เ, เวลานะเจ็บก็เปลี่ยนออลิยบทเอานะอ่าเปลี่ยนอิลิยบท <c oughs> เดินสลับนั่งไปเรื่อยๆนะง่ายๆให้ความเพียรทางจิตปาลบต่อเนื่องนะอ่ายังมีกำลังไม่พอบางทีมันก็สู้ไม่ไหวก็ปล่อยไปก่อนนะเอาความเพียรทางจิตต่อเนื่องก่อนพระเจ้าจึงสอนให้พิสูจนเดินสลับนั่งไปเรื่อยๆตั้งแต่หลังฉันจนกระทั่งสิ้นยำแรกแข่งลาตรีนะกรณีที่อาจารย์บอกว่า ขอหมายใกล้ๆนี้ก่อีที่พระอาจารย์บอกว่าอ่ามีมีภิกษุรูปหนึ่งครับที่บอกว่าจิตไม่ไหวโคลงกายก็ไม่ไหวโคลงอ่าช่จะแล้วว่าจะแล้วว่าเขาอ่าเหมือนกับว่าไม่ไม่เจ็บหรือว่าไม่ไม่มีความรู้สึกเจ็บอะไรนะการจะไม่มีความรู้สึกเจ็บเนี่ยอยู่ที่สมาธิระดับไหนสมาธิเป็นเครื่องช่วยตรงนั้นด้วยนะแต่โยมอย่าลืมว่าพระุทธเจ้าบอกว่าอริบุคคลกับปุถุชนเนี่ยเจ็บกายเท่ากันนะแต่อริบุคคลเนี่ยจะ ไม่มีทุกเวทนาทางจิตนะคือว่าเจ็บเท่ากันแต่ว่าไม่ไปใส่ใจใช่ไม่เป็นทางใจนะไม่เจ็บมาถึงใจนะไม่ใช่ไม่เจ็บเลยเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจเลยนะฮะดูไปดูมานานเข่านานเข้าลมหายใจไม่มีแล้วมันนิ่งหมดเลยอะต่อไปจะอานามานัสสติยังไงคระบผู้เจ้าบอกว่าให้เธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้งห้าในองค์ฌานนั้นๆ เพราะนั้นในระดับจตุตฌานคืออสาศะสัปปะสาสัดับนะผู้เจ้าอาธิบายตั้งแต่ปตมชฌานเนี่ยจะหลุดพ้นยังไงมาจนถึงจตุตฌานก็คือลงใหม่ใจไม่มีเมื่อไม่มีปั๊บเนี่ยแต่ผู้เจ้ายังบอกว่าขันท่ายังทํางานครบให้เธอตามเห็นการเกิดดับขันทั้งห้าต่อไปอยู่กับความนิ่งอยู่วความไม่มีนั่นแหละอาศัยตรงนั้นเป็นอารมณ์นะ ให้ความนิ่งเป็นอารมณ์ถูกต้องแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ใช่อนาปานสติแล้วมันข้ามขั้นไปแล้วใช่ไหมฮะอ่าแต่โดยอาศัยอนาปาอืมใช่ไปบวชพระเนาะอ่าอ่าอ๋อ <c oughs> อาตมาเนี่ยไม่ค่อยอยากแจกรูปอาตมานะต้องเป็นรูปพระพุทธเจ้านะถึงจะดีที่สุดรูปอาตมาอยู่ได้ไม่กี่ปีหรอกแต่เจ้าจะอยู่ไปตลอด